อยากจะถามอะไรไหมถาม ส, ามสเิเรื่องที่ว่านัสมาที่อะคะ่ะคือเมื่อวานที่ถามท่านนะครับอมันมีอีกวันนึงนะคะที่นั่งแล้วมีมีความรู้สึกว่านั่งไปแล้วก็จะมีจังหวะจะได้รู้จังหวะเต้นของหัวใจอะคะ่ะท่านแล้วก็นั่งไปสองครั้งนึง เหมือนกับว่าตัวตัวจะยกตามไปตามจังหวะของหัวใจอะค่ะหของหัวใจแล้วก็มันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนลูกสู้ <c oughs> ม่ะควดลูกุ่มแล้วก็ะจะจะจะรู้สึกว่าตัวก็คือแขนแขนชาแขนน แขนหักแขนชาล้างไปทัป้งก็คื อ, อ, อจะรู้สึกนะคะจะมองแล้วก็คือมีตอ น, นั้นก็คือมีความกลัว ม, มีความกลัวแต่ว่าก็คื อ, อ, อมองเฉยๆะคะ่ะคื อ, อพอยายามไม่ไม่ได้กลัวะคะ่ะแต่เราก็จะมีมันก็จะกลับมาอาการเดิมมาคะ่ะว่า ออออตอนที่กลัวนะคะตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงจะออกเสียงจังหวะหัวใจแล้วะค่ะแต่ว่า ม, มันมันมันกลับมาที่พอพอเรารู้สึกว่าเราสงจบจากความกลัวตรงนั้นไปมันจะมีได้ยินเสียงหัวใจอีกะค่ะจังหวะเต้นของหัวใจแล้วก็มีอาการโผล่รุกซู้ขึ้นมาอีกแล้วก็จะเป็นสุดท้ายมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าตาจะแบบว่าตาสั่นๆน้ําตาไหลอะค่ะ แล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกโล่งสบายตัวะคะ่ะแล้วหนูก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเวลานั่งหรือทําอะไรใช่อะไรนั่งหรือเปล่าถามว่าใช่อะไรนั่งหรือเปล่าตอนตอนหนูนั่งก่อนได้เนี่ยค่ะคือหนูจะได้ยินเสียงมันเป็นกลางคืนนะคะไม่ใช่เช้ามืดนะคะหนูจะได้ยินเสียงรถข้างนอกเสียงนาฬิกาดังนะคะแล้วทีนี้ก็หายไปเลยะคะ่ะเสียงนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาหนูไม่ได้หนูใช้ลมหายใจ ฟังมองลมหายใจอะค่ะเตอนที่เกิดเหตุการ์ยังดูลมหายใจอยู่เ่ะตอนที่เกิดเหตุการ์ดูลมหายใจไหมคิดอมันจะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอาการที่แบบว่าหนูจะไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูละเพราะว่าไม่รู้สึกถึงว่าลมหายใจตอนนั้นเอพราอไม่ไดูลมมันก็เลยปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาถือเป็นสิทธิ์ปรุงแต่งปรุงแต่งอาการต่างๆขึ้นมา ถ้าดูลมไปมันก็จะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดข mm ึ้นดังั้นอย่าไปสนใจกับอาการพอมีอาการนี้แสดงว่าเราไม่ได้ดูลมแลให้กลับมาที่ดูลมหายใจดูลมหายใจที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกให้รู้แค่นั้นเองไม่ต้องทําอะไรแล้วใจจะไม่มีอะไรใจจะถูกสติคุมไว้ใจก็จะนิ่ง จะสงบจะเย็นจะสบาย And, อ, อาการต่างๆ่านี้แสดงว่านั่งแบบไม่มีสติไม่มีสติไม่มีสติดูลมหายใจหรือไม่มีสติอยู่กับพุทธโธต้องมีอะไรคอยกำกับใจไว้แล้วใจก็จะไม่ผลิตอาการต่างๆให้เราได้รับรู้ คุณท่านคะแต่ว่าเราที่ดึงธรรมมาแล้ว น, นี่ก็คืออยางทีบอกว่ามันมีความสุกว่าโล่งสบายแล้วก็เหมือนเลือดลมมันสูบฉีดเหมือนกับว่าออกพมังกายมาหรือประมาณ น, นั้นนะครับหรือว่าเป็นแบบนั้นแหละมันก็มันก็เป็นก็น เ, ปน เ, ปนเป็นแต่มันไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วการให้ใจนิ่งให้ใจไม่มีอะไรให้ใจเฉยใจสงบ ใจเย็นสบายมีความสุขมันยังมันเป็นคนแบบกันนั่งแบบที่ทำ น, นี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิดสั่นขึ้นมาบงทีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเกิดโยกก็ไปโยกกับมันไปสั่นกับมันออเอห็นไหมคนบางคนก็นั่งสมาธิแล้วก็สั่นเขาโยกดีไม่ดีก็ผีเข้าผีสิงหรือ ว, ว่าเข้าเข้าทรงเข้าเจ้าไปเอ ถ้านั่งสมาธิแบบนี้มันจะเป็นอาการต่างๆให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปหลงผิดไปคิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่คิดว่ามีเจ้าเข้าส่งมาแล้าบางทีก็อาจจะพูดภาษาอะไรไม่รู้เรื่องพูด <c oughs> <c oughs> แล้วก็คิดว่านี่คือการนั่งสมาธิไนี่ ันไม่อันไม่ใช่นั่งสมาธิเขาเรยว่านั่งนั่งนั่งให้เป็นบ้ามากกว่าพูด ง, ง่ายๆเทคคอยเขาว่านั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าก็นั่งแบบนี้นั่งเพราะว่าไม่ควบคุมจิตใจนั่งแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอะไรแล้วก็ดูมันไปแล้วก็คิดว่าวิเศษว่าเป็นของแปลกประหลาดมหาสัจจันทร์ แล้วบางทีไปคิดว่าเป็นเทวดาเป็น อ, องนั้นองเจ้านั้นมาเข้าสิงบางคนก็มีพระเจ้าตากสินมาเข้าบางคนก็มีเท้ามาหาพรหมมาเข้าล้งก็ทำนายทายทักดูหมอไปเลยกลายเป็นหมอดูไปเลยเ ห, นหนเห็นนู่นเห็นหนี่ว่านู่นนองนี่ไปถ้าจะนั่งแบบไม่มีสติก็จะเป็นอย่างนี้ คือหนูไม่เคยแบบว่าปฏิบัติธรรมไม่เคยเ อ, อนั่งสมาธิมาก่อนเลยก็คือเพิ่งจะเริ่มสนใจเพิ่งจะเริ ม, มาฟังธรรมอย่างจริงจังเมื่อวันที่หนึ่งะคะก็คือแล้มันถือว่าเป็นการเร็วไฟหรือเปล่าะที่ไปนั่งสมาธิอะคะ่ะไม่เร็วหรอกไม่เร็วหรอกยิ่งเร็วถาลายได้ยิ่งดีแต่แต่ว่ามันต้องรู้จักวิธีนั่งที่ถูกเท่านั้นเองเหมือนขับรถเนะี่ย ขับรถก็ต้องรู้จักวิธีขับรถที่ถูกก็ปลอดภัยถ้าขับรถไม่ถูกแม้จะขับได้แต่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่รู้จักไม่รู้จักหยุดรถแบบปลอดภัยไม่รู้จักเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้จักอะไรต่างๆที่เขามีวิธีขับที่ปลอดภัยต้องเรียนต้องเรียนก่อนเรียนรู้วิธีที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยไปขับรถ อยากจะนั่งสมาธิที่ปลอดภัยก็ต้องเรียนรู้วิธีก่อนวิธีนั่งสมาธิที่ปลอดภัยก็คือต้องมีอะไรกรามกับควบคุมใจต้องมีสติสตินี้มีอยู่40ชนิดที่เราใช้ควบคุมใจได้ถ้าดูลมหายใจเราก็เรียกว่าอาณาปานะสติอาณาปานาาะแปลว่าลมเข้าลมออกให้มีสติอยู่กับลมเข้าลมออก ถ้าอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันจะไม่สามารถที่จะมาปรุงแต่งสร้างอะไรสร้างอาการอะไรต่างๆให้เราได้รับรู้ได้หรือถ้ามันจะสร้างเราก็อย่าไปสนใจว่าใหม่ๆเราอาจจะสติยังไม่มีกำลังมากนั่งดูลมไปแล้วเดี๋ยวมันก็บางทีมันก็หลอกเราบอาเกิดรู้สึกโยกอะร่างกายเอไปทางขวาร่างกายเอ็ไปทางซ้าย พอมันเองเราก็เลยไปขยับเอไปทางซ้ายก็ขยับมาทางขวาขยับมาทางขวาอารู้สึกมากไปขยับไปขยับมาอย่างนี้นอันนี้จิตมันก็จะทําให้จิตไม่สงบหรือบางทีนั่งไปแล้วบางคนก็รู้สึกว่ามันชาบางทีนั่งไปเ น, นี่ยแขนมือที่ตั้งเนี่ยมันจะมันจะแข็งมันชาก็รู้ว่าเฉยเฉยมันจะเป็นย่งไรรู้เฉยเฉยบางคนก็รู้สึกว่าตัวพอง บางคนก็รู้สึกตัวยุบแั่มันเป็นความรู้สึกของจิตที่มันปลุงแต่งขึ้นมาแต่เราอย่าไปสนใจให้เราดูลมไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ลมถ้าเราเนี่ยลมเข้าลมออกรู้แค่นี้ดูลมเข้าลมออกรู้ว่าลมมันยาวหรือลมสั้นรู้ว่ารู้ว่าหยาบหรืละเอียดให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมบางคนดูลมแล้วก็คิดว่าต้องบังคับลม ตองหายใจลึกๆยาวๆอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีนั่งดูลมนั่งดูลมก็คืออย่าไปบังคับลมปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเวลานั่งใหม่ๆลมมันอาจจะหยาบเพรา ะ, ะเพราะร่างกายยังเพราะจิตยังทํางานอยู่ยังไม่สงบพอจิตจะเริ่มสงบแล้วมันจะเริ่มละเอียดลมก็จะละเอียดนะ ท่านที่จะอยากก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดลงละเอียดลงแล้วเดี๋ยวในรู้สึกก็รู้สึกว่ามันหายไปเลยมันหายไปก็ไม่ต้องไปตกใจกลัวบางคนคิดว่าตายแล้วไม่มีลมหายใจเดี๋ยวตายก็รีบวข่รีบสูรลมหายใจแรงๆให้ลมกลับมาอย่างนี้จิตก็ไม่สงบเองเวลาจิตสงบจิตมันจะปล่อยลมลมมันจะคล้า ย, ายๆเหมือนก็จะหายไปก็ปล่อยมันหายไป ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมให้รู้ตามความจริงให้ให้รู้เฉยๆไม่ต้องมีปฏิกิริยาแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบแล้วก็เย็นสบายมีความสุขตอนนั้นจิตก็จะไม่ต้องควบคุมมันละมันจะไม่ผลิตอะไรมันไม่ใช่มันมันจะไม่คิดอะไรมันจะมีแต่ความสุขความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจ พอถึงตรงนั้นก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปใช้มันไปทำอะไรอย่าเพิ่งไปสอนมันให้คิดทางปัญญาตอนนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะไปคิดทางปัญญาไปคิดทางปัญญาลรอตอนที่ออกมาจากสมาธิก่อนออกจากสมาธิก็มาคิดทางปัญญาได้ปัญญาคืออะไรก็คือความจริงความจริงของอะไรของที่เรามีอยู่เนี่ยที่เรา ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่เราหลงผิดคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเพราะว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันไม่ได้เป็นของเราเช่นร่างกายนี่ก็ไม่ใช่เป็นของเราร่างกายไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเนี่ยทามาจากดินน้ำลมไฟผมเนี่ยตัดลองตัดทิ้งไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นดินเน้ำทิ้งเราก็เนี่ย เดิมเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมานมหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกมาดินก็คือนะอาหารข้าวที่เรากินเข้าไปแล้วมันก็มาเปลี่ยนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอะไรต่างๆให้คิดทางปัญญาคิดอย่างนี้ให้คิดว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้สั่งร่างกายใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆเราผู้คิดเนี่ยผู้พิ จ, จารณา แต่เราตอนนี้เราคิดคิดมาในทางที่ไม่ถูกเราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราใช่ไหคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหป่ะใช่หไหมไม่เคยคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราเลยนะแต่ความจริงมันเป็นตัวเราหรือเปล่าเวลาคนตายไปร่างกายมันมันกลายเป็นอะไร <Okay. S 1> กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปไหรือเปล่าเวลาเผากลายเป็นอะไรไปร่างกาย กายเป็นขี้เถ้าส่วนที่เป็นน้ําก็ถูกไฟเผาละเหยไปหมดลมก็หายไปหมดเหลือแต่ดินความร้อนคือไฟก็หายไปหมดเนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> คือเรามองเราคิดไม่เป็นเราคิดเราไปคิดผิดแล้วเลยทําให้เรากลัวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราคิดว่าเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตาย ถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เราก็เฉยๆเสียก็หมดเรื่องอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนร่างกายของคนอื่นเราเดือดร้อนร่างกายคนอื่นเวลาเขาเจ็บเวลาเขาตายเวลาเขากแก่ ไปเดือดร้อนแทนเขาหรือเปล่านร่างกายเรามันก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นแต่เราไปเดือดร้อนแทนมันมันไม่เดือดร้อนอ่ะร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันตายอันนี้ต้องคิดตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วคิดสอนใจให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราต้องดูจุดตั้งแต่คิดตั้งแต่ดูตอนเริ่มต้นของร่างกายมันมาจากอะไร มาจากน้ําสองหยดใช่ไหมที่เขาเอาเชื้อของพ่อมาหยดหนึ่งเชื้อของแม่มาหยดกันมาปนกันแล้วก็มีเราคือจิตมามา ม, มาครอบครองเนี่ยถึงจะปรากฏเป็นเป็นการตั้งตั้งตั้งท้อมขึ้นมาได้ต้องมีสามคนพ่อเชื้อของตัวแทนของพ่อตัวแทนของแม่ แล้วก็ตัวแทนของเราตัวแทนของเราก็คือจิตเนี่ยวิญญาณที่เราตายพอร่างกายอันนี้ของเราตายไปเราก็เป็นยึเป็นวิญญาณไปแล้วก็ไปรอไปร อ, ป ร, อรับร่างกายอันใหม่พ <Yeah. S 1> อพอร่างกายถูกได้รับการก่อสร้างขึ้นมาได้รับการผลิตโดยการเอาเชื้อของพ่อมาหยดหนึ่งเชื้อเชื้อของแม่มาหยดหนึ่ง เราที่เป็นดวงวิญญาณก็มามามาเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมต้องมีสามฝ่ายมาประชุมกันแล้วถึงจะเกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาของร่างกายแล้วพอพอเริ่มเจริญเติบโตมันก็เอาอะไรเจริญเติบโตจากอะไรก็จากอาหารที่มีท้องแม่อาหารที่เป็นเลือดเป็นอะไรเนี่ย มันก็เป็นอาหารแล้วมันก็ค่อยๆสร้างอาการสามสิบสองขึ้นมาในร่างกายสร้างอวัยวะต่างๆพอครบสามสิบสองก็ออกมาจากท้องแม่แล้วเราก็ใช้มันเราที่มามาครอบครองร่างกายนี้เราก็สั่งให้มันทํานู่นทนํานี่สั่งให้มันไปดูไปฟังไปกินไปเด่นไปอะไรต่างๆ พอเราอยากเราชอบสิ่งเหล่านี้เราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นนี่เกิดร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวเราเป็นเพียงคนรับใช้เราเราเป็นคนสัง่งมันคนคอยควบคุมบังคับมันให้ทําอะไรแล้วร่างกายมันก็ไปตามขั้นตอนของมันมันก็ต้องเจริญเติบโตไปเรื่อยๆพอมันโตเต็มที่มันก็เริ่มนับถอยหลัง พออายุสี่สิบกว่าห้าสิบมันก็เริ่มรับถอยหลังเริ่มแก่ลงที่ละนิเทียหน่อยแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็ตายพอหยุดลมหายใจลมก็ไม่เข้าแล้วมีแต่ลมออกนี่คือกลิ่นของร่างกายส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาน้ำก็ไหลออกมาถ้าไม่เอาไปเผาปล่อยร่างกายทิ้งไว้เดี๋ยวน้าเลือดน้าหนองน้าอะไรมันก็จะไหลออกมา มันเริ่มพองแล้วก็เริ่มผุเริ่มพองเริ่มแตกเริ่มเน่าใช่ไหมเราทิ้งไปนานๆเข้ามันก็แห้งกลายเป็นดินไปความร้อนไฟก็ออกมาตั้งแต่ร่างกายอยู่หายใจก็ามีแค่นี้คือร่างกายที่เราไปคิดว่าเป็นเราเราต้องมาคิดใหม่ว่าไม่ใช่เป็นเราเป็นดินน้ำลมไฟเตรียมตัวไว้เดี๋ยวร่างกายนี้มันจะไปเป็นดินน้าลมไฟ ว่าไั้ไหมแต่เราไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟเราเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่เราคิดผิดคิดไม่เป็นก็เรียกว่าหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยวุ่นวายไปกับร่างกาย mm hmm. เพราะอะไรเป็นของเราเราก็ไม่อยากจะให้มันจากเราไปทั้งนั้นเองที่เราต้องคอยคิดอยู่เรื่อยว่ามันต้องจากเราไปเพราะมันเป็นดินน้ำลมไฟไม่ต้องไปกลัวกลัวก็ไม่ได้ทำแก้มันไม่ได้ข้ามันไม่ได้กลัวไปก็ ทุกไปเปล่าๆมีคนมาเยอะไหมเยอะครับให้เขาหาที่นั่งแล้นะบอกว่าแล้วน้ามีน้ำพลองให้เขาใช่ไหมมีครับโอเคให้เขาเข้าทางด้านหลังเลยก็ได้บบ น, นี่คือปัญญาจะคิดได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิตอนนี้เราไม่คิดกันหรอกบอกให้คิดเดี๋ยวกลับไปบ้านไม่คิดใช่ เดี๋ยวก็กลับไปคิดว่าไปดูทีวีดีไ้ยไปกินขนมดีไหมไปเที่ยวที่นั่นดีไหมสอนมาปากเปียกปากฉีกให้คิดทางปัญญาไม่ีใครคิดบ้างะไม่คิดหรอกคิดไม่เป็นกิเลสไม่ยอมไม่คิดกิเลสมันก็จะคิดว่าเป็นตัวฉันตัวเราเ ด, เดี๋ยวก็ต้องไปทำผมละเดี๋ยวก็ต้องไปทาหน้าละเดี๋ยวก็ไปทำฟั น, ทำ น, นทำนู่นทำนี่พะมันเป็นตัวเราเลยต้องคอยดูแลมันต้องแต่งให้มันสวยให้มันงาม แต่ถ้าเราคิดได้ว่าไม่เป็นตัวเรามันเป็นคนใช้เราเราไปแต่งตัวให้มันทําไมเห็นไหมเราเอยตั้งตัวไว้คนใช้เราไหมเคยเลี้ยงดูมันไหอย่างมากก็ให้มันกินก็พอร่างกายเนี้ยให้มันกินได้ไม่ให้มันไม่เจ็บคไายได้ป่วยเหมือนเหมือนพระเนี่ยพระเลี้ยงเลี้ยงร่างกายเหมือนเลี้ยงคนใช้เนี่ยพระเจ้าสอนท่าให้เลี้ยงร่างกายเหมือนเลี้ยงคนใช้ให้มันกินมันระมื้อก็พอเอ ตอนเช้าก็ให้มันเป็นขอทานให้มันไปหากินเอาเองไม่ให้มันขี้เกียจให้มันไปหากินเองไปบินทบาดแล้วอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็จะให้มาใช่ไหมเลี้ยงคนใช้เลี้ยงแบบนี้ใช่แต่ถ้าเลี้ยงตัวเรานี่ไม่เลี้ยงแบบนี้ไม่บินทบาดใช่ไหมต้องเลือกกินแล้ววันนี้จะไปกินร้านไหนดีจะกินพิซซ่าแล้ว ก, กินแมหรือจะกิน Kf เอฟซี คิดไปแล้วนี่แหละพอเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเราก็ต้องเลี้ยงมันอย่างดีต้องหาอาหารดีๆให้มันกินหาที่กินก็ต้องกินแบบที่ดีๆกินข้างถนนก็ไม่ได้ต้องไปกินในโรงแรมในร้านที่มีเครื่องปรับอากาศนี่คือความหลงของเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็เลยต้องเลี้ยงดูมันอย่างดีที่แท้จริงเราเลี้ยงคนนับใช้ยหรือป่า เรานี้ไม่ได้กินกับมันเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเนี้ยเราสั่งให้มันกินแต่ใจไม่ได้กินเชื่อไหมใจบอกให้กินเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเนี้ยร่างกายมันกินแต่ใจไม่ได้กินเนี้ใจเพ่งแต่รับรู้รสของอาหารกลิ่นของอาหารเท่านั้นเองเหมือนกับเราดูหนังเนี้ยเราดูหนังเราดูเขากินกันคนดูไม่ได้กินหรอกใช่ไหมแต่ในหนังเขากินกัน อันนี้ก็เหมือนงานร่างกายเหมือนเป็นตัวแสดงในโรงหนังในจอหนังส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนดูดูร่างกายกินพแต่ว่าเป็นคนสั่งให้ร่างกายเป็นคนเลือกหาอาหารให้ร่างกายสั่งให้ร่างกายไปร้านนี้ไปร้านนู้ไ น, นไปกินใ ห, ให้นั่นกินให้นี่แล้วใจก็มีความสุขจากการที่ร่างกายได้กินนู่นกินนี้เราได้สัมผัสกับความรู้สึกที่อิ่มแต่มันอิ่มเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หิวขึ้นมา ก, กินเทอะไหร่เดี๋ยวมันก็ไม่เดี๋ยวมันก็หิวมันยังกินอยู่เรื่อยร่างกอนี้กินยังร่างกายเป็นตุ่มนะเพราะกินไม่นานอิ่ไม่นานเดี๋ยวหิวกแล้วแต่ถ้าไม่ให้มันเป็นตุ่มก็ต้องกินแบบให้คนให้มันเป็นคนใช้เราให้มันกินวันละมือ้อแค่พอพระพุทธเจ้าสอนให้พระกินวันละมือ้อเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอาหารของเราไม่ใช่อาหารของร่างกาย หายของเราคือธรรมะคือความสงบให้นั่งสมาธิเยอะๆทำใจให้สงบแล้วใจจะอิ่มใจจะมีความสุขใจจะพอแต่ใจเราไม่เคยพอเพราะอะไรเพราะเราให้อาหารร่างกายเวลาใจหิวก็ไปพาร่างกายไปกินร่างกายกินอิ่มก็ต้องหยุดกินเดี๋ยวพอมั น, มนย่อยเสร็จก็กินได้ ก, ก็อยากกินอีก ใจไม่ได้กินอาหารเลยใจเพราะเพราะว่าอาหารของร่างกายไม่ใช่เป็นอาหารของใจอาหารของเราคือความสงบเนี่ยที่ให้เรามานั่งสมาธิกันเพื่อให้มันสงบตอนที่เรานั่งสมาธินี่เรากาลังกินอาหารของใจไงนะตอนนี้เรานั่งดูล ม, ลมออกนี้กำลังเอาอาหารเข้าไปในใจนะแล้วพอพอใจนิ่งพอประสั น, นว่าใจอิ่มใจสบายใจมีความสุข ก็ได้อาหารแล้วถ้าใจอิ่มแล้วมันก็ไม่หิวทางร่างกายไม่หิวกับอาหารไม่หิวกับอะไรนี่คือปัญญาต้องคิดตอนที่ออกจากสมาธิแล้วตอ น, นี้นอยู่ในสมาธิห้ามคิดควจริงมันคิดไม่ได้ถ้ามันสงบจริงๆจิตมันจะไม่คิดอะไรเราก็อยาา่าไปบังคับเป็นสั่งให้มันคิด รอให้มันออกมาจากสมาธิก่อนแล้วพอมันเริ่มคิดก็ให้มันมาคิดทางปัญญาอย่าไปคิดทางความหลงตอนนี้เราคิดทางความหลงตลอดเวลาว่าตัวเราของเรามีอะไรก็เป็นของเราไปหมดทั้งๆ ท, ที่ของต่างๆที่เราได้มามันไม่ได้เป็นของเราหรอกเดี๋ยววันดีเกินดีมันก็ไปแล้วใช่มมีอะไรเป็นของเราวเวลาเรามาเรามีอะไรมามั้งไม่มีเลย ร่างกายนี้ก็ของพ่อแม่ใช่ไได้ร่างกายของพ่อแม่มาพอออกจากท้องพ่อแม่มาพอโตก็มาหาของต่างๆหาเงินหาทองหาแฟนหาครอบครัวหาลูกหาเต้ามีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยมีเงินก็ซื้อของเต็มไปบ้านเต็มบ้านซื้อบ้านปลูกบ้านสร้างบ้านแล้วก็ซื้อข้าวของมาใส่บ้านซื้ออะไรต่างๆที่เขามีขายในโลกนี้ เพราะเวลาซื้อมันมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเวลาว่าไม่รู้ว่าของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นของเราเพรเดี๋ยวเวลาเราตายไปแล้วเอาอะไรไปได้หรือเปล่าเขาต่างๆนี้ที่เรามีนี้เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้เพราะร่างกายนี้มันเป็นของดินน้ำลมไฟพ่อเป็นคนพ่อแม่เป็นคนผลิตขึ้นมาให้เรา พ่อแม่เอาดินน้ำลงไปของพ่อแม่มาผสมกันแล้วก็ผิดปเป็นผลิตเป็นร่างกายของเราร่างกายขึ้นมาแล้วเราก็ไปครอบครองไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราแต่พอเลาพอร่างกายนี้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้สมบัติที่เราหาด้วยร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ครอบครัวก็เอาไปไม่ได้ออนี่คือปัญญาให้คิดว่าเรามาตัวเปล่า แล้วเดี๋ยวเวลาเราไปแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมา่าเปล่าๆไปเปล่าๆ เ, เอาแต่ความรู้ความคิดไปคือตัวจิตนี่ัววิญญาณ น, นี่คือตัวรู้ตัวคิดเท่นั้นเองที่ไม่ตายไปกับร่างกายที่ไปเกิดใหม่ที่ไปได้ร่างกายอันใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ได้มากี่ร่างก็ต้องทิ้งไปเพราะร่างกายมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของชั่วคราวของเราชั่วคราว แปดิบปี90ปีก็ตายพอตายก็ไปก่อนจะไปรับร่างกายใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนเวลาทําบุญก็จะไปสวรรค์ก่อนเวลาทําบาปก็ไปอบายก่อนไปนรกก่อนพอออกจากอบายมาออกจากสวรรค์มาก็มาโลกมนุษย์มารับร่างกายใหม่ต่อไปเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อย นี่ให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวเสียอะไรเพราะมันต้องเสียอยู่แล้วไม่มีใครไม่เสียอะไรหรอกมีกี่ร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหมดเลยต้องกลายเป็นของคนอื่นไปสมบัติต่างๆที่เราหามาได้ถ้าเป็นทบตายเดี๋ยวเราเวลาร่างกายนี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาตรเดียวเอาไปได้ก็บุญกับบาป ท, ที่เราทํำนี้ ที่จะทำให้เราไปสวรรค์หรือไปอาบายไปนรกท่านนึ้งนี่ให้คิดทางปัญญาอย่างนี้เราจะทำให้เร า, เาจะได้ไม่อยากได้อะไรว่าก่อนจะได้ของที่แต่ละชินก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองถ้าเป็นแทบตายเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปซื้ออะไรมาเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไป ส่วนญ่ก็ไปคืนที่กองขยะกันใช่ไหมของที่เราซื้อมาแล้วมันเก่าใช้ไม่ได้ก็เอาไปทิ้งกองขยะกันส่วนที่เหลือที่ยังใช้ได้อยู่เวลาตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ร่างกายก็ไปทิ้งที่วัดกันร่างกายของพวกเราเดี๋ยวก็ไปที่วัดกันที่วัดเขามีที่มีเตาเผาเราเก็บไว้แล้วมันเหม็นก็เลยต้องเอาไปเผาเก็บไว้ไม่ได้ เก็บแล้วมันไม่มีที่เก็บใไมาดีนีสุสารบางแห่งมันเต็มไปหมดแล้วที่ดินไม่พอฝังเดีย๋ยวนี้เขาเลยไม่ฝังกันเขาก็เอาไปเผากันเผาแล้วก็ไปลอยอย่างคายเอาไปลอยในทะเลลอยในแม่น้ำมันก็เป็นดินไม่มีอะไรคือร่างกายนี้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สบายใจเราจะได้ปรงวางได้ปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ถือว่าอะไรเป็นของเราแล้วรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องต้องมีการทัดพากจากกันไม่ไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายนี่คือปัญญาถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวจิตมันจะเปลี่ยนความคิดใหม่มันจะไม่คิดว่าเป็นเราของเรามันจะไม่อยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด มันต้องคิดว่าเดี๋ยวไม่ง้องไปแล้วเดี๋ยวไม่ต้องจากเราไปแล้วพอมันจากเราก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาต้องไปถ้าไม่คิดไว้ล่วงหน้าก็จะคิดว่าเป็นของเราจะอยู่กับเราไปเรื่อยเรื่อเรามีอะไรเราก็จะคิดว่าจะต้องเป็นของเราอยู่กับเราไปเรื่อยเรื่อยแต่พอเวลาเขาไปก็เลยเสียใจเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะไปแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเขาจะไปพอเขาไปเราก็ ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเหมือนสมัยนี้คนตายคนหนึ่งนี่หมลงข่าวน้องิมพมยังมาเป็นของแปลกอย่นซึ่งเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาองค์ตจ้าบอกว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไยไม่ได้ธรรมดาแต่เราไปกลายเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งขึ้นมาโอ้คนนี้ตาย ดาราภาพยนต์คนไหนมีเชื่อเสียงตายนี่ไหมปรากฏเป็นข่าวหน้าหนึ่งขึ้นมาเหมือนก็เป็นของแปลกประหลาดเรื่องธรรมดาแต่เราไม่คิดกันว่ามันเป็นธรรมดาเราก็เลยไม่คิดว่ามันจะตายกันใช่ไหมเพราะคนที่ใหญ่หญโตพอตายนี้เราไม่ไม่มีใครคิดว่าจะตายพอาขอตายนี่โอ้ยเป็ น, นข่าวหน้าใหญ่แต่คนที่เราคิดว่าจะตายเวลาตายเราก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นข Yo, ء, ่าวหน้าใหญ่ใช่คนที่อายุมากๆแล้วเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องตายแล้นะพอเขาตายจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเพราะเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวมันต้องตายแล้วเนี่ยอายุเก้าสกว่าเนี่ยเกือบร้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันตายแล้วพอตายก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากจัดจานเพราะเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าคนนี้มันจะต้องตายหลายคนที่เราไม่คิดว่าจะตายเนี่พอมันตายมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาไม่เป็นเรื่องธรรมดาขึ้นมา อย่างนั้นถ้าเราคิดบ่อยๆว่าร่างกายของเราร่างกายของคนที่เกี่ยวข้องกับเราเดี๋ยวก็ต้องตายคิดบ่อยๆแล้วพอเวลาเขาตายมันจะไม่ทำให้เราตื่นเต้นตกใจเสียใจพรเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดามันต้องเกิดความตายนี้เป็นสิ่งที่ตามมาเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาแล้วสิ่งที่ตายก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดวงวิญญาณที่ตายสิ่งที่ตายก็คือ ดินน้ำลมไฟที่ตายไปคนที่สั่งให้วิญญาณที่สั่งให้ร่างกายนี้ทาอะไรไม่ได้ตายไปกับร่างกาย<ม>ก็ไปต่ออย่างพ่อเราแม่เราเวลาตายไม่ใช่ตัวพ่อแม่ตายรู้รเปล่าตัวคนรับใช้พ่อแม่คือร่างกายคือดินน้ำลมไฟตัวพ่อแม่ตัวรู้ตัวคิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อแม่พ่อแม่ก็ไปเกิดใหม่ ไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็ไปรับผลบาปก่อนถ้าทำบุญมากกว่าบาปก็ไปรับผลบุญก่อนพ อ, อบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. นี่ก็มีเท่านี้นะเรื่องของชีวิตของพวกเราเราไม่มีวันตายที่ตายไม่ใช่เราคือร่างกายพอร่างกายตายเราก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อ เหมือนเวลาเราสิ้นปีปิดบัญชีคิดบัญชีบริษัทบริษัทปีนี้รายจ่ายเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็กำไรถ้ารายรับถ้ารายจ่ายรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ขาดทุนถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็กำไรถ้ากำไรก็มีเงินแจกลวกน้องอยากโบนัสไปเที่ยวกัน ถ้าขาดทุนก็ต้องหักเงินเดือนปีหน้าต้องลดเงินเดือนเพราะถ้าไม่ลดเดี๋ยวเจ๊งอยู่ไม่ได้ต้องปิดบริษัทถ้าบุญมากกว่าบาปก็กำไลก็ไปเที่ยวส่งไปสวรรค์กันถ้าบาปมากกระบุญก็คือเป็นหนี้มากกว่ามากกว่ารายได้ก็ต้องไปใช้หนี้ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปเกิดเป็นเ ป, นเปนเรตไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไปใช้หนี้ พอนี้ใช้หมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าถ้ารายได้มากกว่าเป็นนี้ก็ได้กาไรก็ไปเที่ยวไปสวรรค์กันพอเที่ยวเสร็จเงินหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาหาเงินใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่ mm hmm. ก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีวิธีที่จะทาให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาตัไม่ต้องมาทำบุญทำบากไม่ต้องมารับผลบุญ ผ, ผลบากทำยังไงก็หยุดความอยากเสียเพราะความอยากนี้เป็นตัวทำให้เรากลับมาเกิดเรายังอยากเที่ยวเราก็ต้องมีร่างกายถึงจะเที่ยวได้อยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากกินก็ต้องมีปากมีลิ้นก็ต้องมีร่างกาย พอร่างกายนี้ตายไปความอยากยังมีอยู่มันก็เลยพาเราไปรับร่างกายอันใหม่หลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาปก่อนพอรับผลบุญผลบาปเสร็จใช้หนี้เสร็จหรือไปเที่ยวเสร็จข้ามมารอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็เที่ยวกันใหม่กินกันใหม่ดื่มกันใหม่ดูฟังกันใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็หยุดความอยากนี่ ถ้อยากจะหยุดความอยากก็ไปบวชเนะีพวกไปบวชนี่เขาไปหยุดความอยากกันนะเขาไม่ดูเขาไม่เที่ยวเหมือนเราในชะ่ไหมพวกพระนี่เขาให้ไปอยู่ในป่าให้นั่งหลับตาสู้กับความอยากมึงอยากเที่ยวกูจาให้มึงอยู่เฉยๆกูจะพูดโทใส่ก ง, งไปเนะีนะ่ยอันนี้ ม, มาหยุดความอยากนั่งสมาธิเพื่อหยุดความอยากเราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอยากทาตามความอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป ทุกครั้งที่อยากก็ฝืนมันทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวก็ไม่นั่งสมาธิทุกครั้งที่อยากจะไปกินขนมก็นั่งสมาธิทุกครั้งที่อยากจะดื่มเครื่องดื่มก็นั่งสมาธิไป <aroma> ให้มันกินได้แค่วันละหนเดียวก <i était> ินก็อยู่ไม่ให้กินเพื่อกินด้วยความอยากกินเพื่อให้เร่างกายมันอยู่เลี้ยงร่างกายไปเพราะยังยังต้องใช้ร่างกายมานั่งสมาธิมาหยุดความอยากต่างๆอยู่เรายังต้องมีร่างกายอยู่ เนี่ยคือเนี่ยพระหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทําแค่นี้ท่านก็เลยหยุดความอยากได้หมดเลยไม่อยากไปเที่ยวไหนไม่อยากมีแฟนไม่อยากกินไม่อยากดื่มไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่อยากอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆสบายพอไม่มีความอยากพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปใหม่ ไม่ต้องกลับมาทำบุญทำบาปใหม่ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เนี่ยเราเป็นหนี้พระพุทธเจ้ามากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราพวกเราจะไม่รู้กันว่าเราเกิดมาก็าจะทำตามความอยากกันเนี่ยอยากตั้งแต่เด็กเนะี่ยใช่ไหมเด็กนี้อยากดูอยากฟังนะเนี่ยต้องซื้อขนมต้องซื้อของเล่นมาให้มันเล่นใช่ไหมความอยาก ข, ของเด็กถ้าไม่มีของเล่นมันก็ร้องมองแง่พอมีของเล่นมันก็ไม่ได้ร้องนะ มันอยากมันตั้งแต่เด็กเลยนอนอยู่ในเป็นี่ยังต้องมีของให้มันเล่นดูมามีปางเงินปลาทองอะไรห้อยอยู่ให้มันดูมีอะไรมีกระดิกมีอะไรกิ้งกิ้งก้ๆให้มันได้ฟังมันได้เผยเพราะตั้งอยู่เฉยๆเงียบๆไม่มีอะไรให้ดูไม่ให้ฟังแล้วมันหงุดหงิดลำคาญมันก็จะร้องงอแงเเขาถึงต้องมีของเล่นของอะไรของดูให้เด็กมันเล่นมันดู มันจะได้ไม่งอแงเข้งงาใจไหมอย่างความงอแงก็จะเกิดจากความอยากเนี่ยอยากดูอยากฟังถ้าไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังแล้วมันงอแงมันหงุดหิดตำคาญใจนี่แหละคือเรื่องของความอยากมันทําให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากก็ต้องไปบวชเพราะถ้าไม่หยุดถ้าไม่บวชมันหยุดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องเที่ยวไม่ต้อง ต้องทํางานต้องเที่ยวต้องทำงานเหนื่อยก็ต้องไปเที่ยวกันไปบรรไปไปเรียกอะไรไปบรรเทาความหงุดหงิดทางานเนี่ยเหนื่อยก็ต้องไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันมันก็เลยอยากไปเรื่อยๆพอกินแล้วมันก็ติดจะดื่มแล้วก็ติดคอเคยดื่มแล้วมันก็ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆพอเคยกินก็จะกินอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องไปอยู่แบบพระเนี่ยเพราะเขาบังคับให้ไม่ทำไม่ให้ทําอะไรต่างความอยากให้สู้กับความอยากให้สู้ด้วยสติด้วยพุทโธพุทโธมันอยากอะไรก็พุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธชนะเดี๋ยวมันก็เลยถึงเรื่องที่อยากมันก็หายอยากท่านี้ทําได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องกลับมาเกิดต่อไปเรื่อย การมาเกิดก็ต้องเนี้ยทุกแบบที่เราทุกกันอย่างเงี้ยต้องมาหางานทํากันทํางานเหน็ดเหนื่อยได้งานได้เงินมาก็แปใช้ไปไปใช้ตามความอยากมดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะความอยากมันมากกว่าเงินที่เราจะใช้จึงไม่ค่อยพอใช้แล้วดีไม่ดีก็ต้องไปทําบาปเพราะเงินไม่พอใช้เพราะถ้าจะหาเงินแบบ ไม่ไม่ทำบาปมันหายากถ้าทำหาเงินแบบทำบาปมันหาง่ายโกหกมันก็ได้เงินละขโมยก็ได้เงินเนะแต่ถ้าไม่โกหกไม่ขโมยมันก็ต้องไปทำงา น, เ, นเหนื่อยทางร่างกายเนี่ยก็มาอยู่กับความทุกข์เพราะต้องคอยหาเงินหาทองแล้วท้าเงินไม่พอก็ต้องไปทำบาปเนี๋ยเดี๋ยวตายไปก็ต้องไปรับผลบาป าสามารถหาเงินได้โดยไม่ทำบาปพอมีเงินเหลือเยอะก็เอาไปทำบุญไปแบ่งให้คนเดือนเ้อนบ้างก็เลยได้ทำบุญพอตายไปก็ได้ไปไปสวรรค์แทนที่จะไปอบายแทนที่จะไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานก็ได้ไปเป็นเทวดากันเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่นี่คือ สิ่งที่เราไม่รู้จักเรื่องเราไม่รู้เรื่องของตัวเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราพวกเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายเวลาเกิดเป็นแมวก็คิดว่าเราเป็นเป็นแมวเวลาเกิดเป็นหมาก็คิดว่าเราเป็นหมากัแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นแมวเป็นหมาเป็นคนเราเป็นใจผู้สั่งผู้คิดผู้รู้ผู้คิด ที่ไปเกาะติดอยู่กับร่างกายของแมวร่างกายของหมาร่างกายของคนร่างกายของปลาร่างกายของเป็ดของไก่เนี่ยไอตัวที่ไปเกาะติดอยู่กับร่างกายนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ไม่รู้กันก็คิดว่าตายก็เลยกลัวตายกันใหญ่ใช่ไหมเหมือนคนดูหนังอะคนดูหนังแล้วไปคิดว่าตัวเองเป็นตัวแสดงพอตัวแสดงจะตายก็ตกใจว่ะ แต่คนดูไม่ได้ตายไปกันดาราตัวตัวละครตัวแสดงหรอกแต่เป็นหลงที่ว่าเป็นตัวแสดงนะทั้งที่รู้อยู่ว่าดูขนาดดูยังกลัวเลยดูหนังผียังกลัวเลยยังต้องหลับตาไม่กล้ามองทั้งที่มันผีมันไม่ได้มาฆ่าเราหรอกผีไม่มีใครมาทำเราไม่คนดูเดี๋ยวหนังจบก็เดินออกจากโรงไปแต่ก็ยังตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ไปกับน <c oughs> ัเ <c oughs> พราะเราไม่มีสติปล่อยให้ใจไหลไปกับ <c oughs> สิ่งที่ดูคิดว่าตัวเองเป็นตัวตัวดูตัวเล่นละครตัวแสดงไปเนี่ยเราก็มาหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายไปเราก็ไปตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจไปกับร่างกาย <c oughs> เวลาร่างกายอะไรได้อะไรมาก็ดีใจไปกับมัน เวลาร่างกายเสียอะไรไปก็เสียใจไปกับมันล้อมห่มล้อมให้ไปกับมันเนี่ยนี่คือความหลงไม่มีสติปล่อยให้ความคิดคิดไปในทางความหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายคิดว่าของที่เราได้มาเป็นของเราจริงๆริทั้งทงที่เขาเป็นของให้เรายืมมาใช้ชั่วคราวของต่างๆนี้เหมือนกับใครของที่เรายืมเข้ามาเดี๋ยวเราก็ต้องไปคืนเขา พอเวลาตายไปเราคืนหมดเลยคืนร่างกายไปคืนสมบัติไปคืนสามีไปคืนภรรยาไปคืนลูกคืนอะไรมีอะไรนี่ต้องคืนไปมนไม่ได้เป็นของเราล้วเวลาเราไปทิ้งหมดไปไม่ได้นี่คือการคิดทางปัญญาให้คิดอย่างนี้เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิให้หัดคิดอยู่เรื่อยว่าของทุกอย่างที่เราไม่อยู่มันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของชั่วคราว เดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็จากตายไม่มีใครเป็นอะไรไปตลอดแล้วเป็นขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องตายพอตายก็ไม่ได้เป็นแล้วนะแล้วสมบัติมีมากน้อยเพียงไรเวลาตายก็ อ, อกไปไม่ได้ <c oughs> แต่ไม่คิดกันไงก็เลยหลงกันนะเลยคิดว่ามีอะไรแล้วจะต้องเป็นของเราไปเราจะ ร่างกายนี้ก็คิดว่าจะอยู่ไปนานๆไม่เคยคิดว่าเราจะตายกันบ้างไหมเคยคิดมั้งว่าเปล่าคิดจริงๆมั้อเปล่าแลพร้อมที่จะตายเปล่าถ้ามันจะตายถ้ามันคิดจริงๆมันต้องพร้อมที่จะตายเลยถ้ายังไม่พร้อมแสดงแสดงว่ายังไม่คิดจริงต้องยอมตายถึงจะถึงจะคิดว่าถึงจะคิดจริงว่าเราต้องตายถ้าคิดว่าเพียงแต่เราต้องตายแต่ยังไม่ยอมตายนี่แสดงว่าไม่คิดจริง ถ้าคิดจริงถ้ารู้ว่าต้องตายแล้วจะไปจะไม่ยอมตายได้อย่างไรใช่ไหมเหมือนเขาจะมาทวงหนี้เราเนี่ยเรารู้ว่าเขาจะมาทวงหนี้ธนาคารก็จะมายึดเนี่ยยึดบริสัทเราสมมติถ้าเราไม่มีเงินจ่ายดอกเบีย้ยให้เขาเขาบอกจิ้นปีนี้เขาจะมายึดเนเราเราจะยอมหรือเขายึดหรือเปล่ายอมไม่ยอมเขาก็ต้องยึดใช่ไหอ ก็เหมือนกันร่างกายแล้วเดี๋ยวก็ต้องมายึดคืนไปเพงแต่เรายังไม่เชื่อว่ามันจะยึดจริงๆพอถึงเวลาจะยึดจริงๆก็ยังพยายามหนีเลยหนีหนีไงก็หนีไม่พ้นึงเวลามันจะตายอย่าไปหนีให้มันเหนื่อยเลยอยู่เฉยๆดีกว่าตายแบบสบายดีกว่าเพราะเราไม่ได้ตายแล้วไปตื่นเต้นเหมือนคนดูหนังไปหนีทําไมคนคนดูไม่ได้เป็นอะไรคนดูก็ดูไป ร่างกายใจกับร่างกายก็เหมือนเหมือนคนดูกับกับตัวแสดงวนบนในในจอหนังเนะี่ยก็ปล่อยมันตายไปก็ดูมันตายไปอัดดูมันตายบ่อยๆแล้วต่อไปมันจะชินกับภาพและเวลามันตายเราจะได้เฉยๆได้อัานนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆนึกถึงว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วเดี๋ยวก็ล้งหมดลมหายใจ จะตายแบบนั้นก็เหมือนกันจะตกตึกตายจะโดนรถชนตายหรือคิดไปเรื่อยๆคิดวิธีตายร้อยแปดต่อไปเวลาตายมันจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจตายเพราะถูกเขายิงตายเพราะถูกเขาแทงตายเพราะถูกเขาบีบคอตายเพราะอดตายหัดคิดทุกวิธีตายให้ได้แล้วต่อไปเวลามันตายเราจะได้เหมือนกันดูหนังเท่านั้นเองว่าเราไม่ได้ตายบอกเรากําลังดูร่างกายตายเราพูดดู ผู้รู้ผู้คิดผู้ดูนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเข้าใจไหมเนื้อให้พิจารณาเรียวกว่าปัญญาเนี่ยที่เรียวกว่ามานานุสติเี่ยให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้คิดแบบเนี้ยคิดวิธีตายร้อยแปดลองมานั่งคิดกันว่าตายแบบไหนบางปลูกคอตายจมน้ําตายถูกรดชนตายไฟไหม้ตายผ่าตัดแล้วก็ตายเอ มีอะไรตายเป็นโรคระบาดตายหนาวตายช่วงนี้หนาวก่อนหนาวตายหรช่วงปีใหม่ก็ก่อนอุบัติเหตุดั้งลดความตายคิดไปเรื่อยวิธีตายร้อยแปดต่อไปเวลามันตายมันจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจเพราะว่าเราไม่ได้ตายเราเป็นคนดูคนตายดูร่างกายนี้ตายเท่านั้นเองเการพิจารณาความตายเพื่อให้เราแยกตัวเราออกจากร่างกาย ให้เรารู้ว่าผู้พิจารณากับผู้ที่ตายคนละคนกันร่างกายนี้เป็นผู้ที่เราพิจารณาเราเป็นผู้พิจารณาร่างกายเป็นเป็นผู้ที่ถูกเราพิจารณาร่างกายเดี๋ยวมันจะต้องตายเราคิดเกี่ยวกับวิตายว่าเราจะตายแบบไหนเราเลือกตายได้ไหมไม่ได้แต่เราคิดก่อนได้ใช่ไหมว่ามันจะตายแบบไหนไม่จมน้ำตายก็ตกตึกตายไม่ตกตึกตายก็อ้วนตาย ไม่อ้วนตายก็พร้อมตายมีวิธีตายหลายแปดร้อยแปดพันประการไอ้ <c oughs> คิดไปเรื่อยๆเรียกปัญญาแล้วเราจะไม่กลัวตายต่อไปเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องตายแน่ๆแล้วเราจะอยู่อย่างสบายไม่กลัวตายต่อไปพร้อมที่จะตายทุกเวลานาทีนี่คือการปฏิบัติเนี่ยปัญญา จะคิดแบบนี้ได้ต้องมีนั่งสมาธิก่อนจิตสงบก่อนถ้าจิตไม่สงบไม่ยอมคิดความตายกลัวบางบ้านนี่ไม่ได้ไม่อยากคิดเลยพูดยังพูดไม่ได้เลยคำว่าตายเวลาตายต้องพูดคาอื่นไปสวรรค์บ้างสิ้นลมบ้างไม่ยอมตายสิ้นลมบ้า ง, มมงไปสวรรค์บ้างถึงอสั ญ, ญกรรมบ้างอะไร แต่ไม่ยามพูดคําว่าตายกลัวมันทำให้คําว่าตายมันมันมันนรายกาจเพียงไรพูดมันไม่ได้แล้วพูดแล้วมันจะตายทันทีทันใดเลยเนี่ยพอพไปทําตายนี้ใจไม่สบายเลยใช่ไหมขี้เหมือนสาบแช่งตัวเองนะกลัวจะตายแตมันไม่มันไม่น่ากลัวหรอกความตายถ้าเรารู้ว่าอตัวที่ตายไม่ใช่เราเท่านั้นเอง เราต้องรู้ว่าเราคือใครกันเนี่ยพระเจ้าสอนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาจับร่างกายนี้พอมีร่างกายเราก็เรียกดวงวิญญาณว่าเป็นจิตใจไปเท่านั้นเองจิตใจไม่สบายเนี่ยร่างกายสบายแต่จิตใจไม่สบายเห็นไหมคนละคนเลยใช่ไหมถ้าเป็นคนเดียวกันมันก็ต้องไม่สบายพร้อมกันสิทำไมจิตใจไม่สบายแต่ทำไมร่างกายสบาย ก็เพราะว่าจิตใจกับร่างกายมันเป็นคนละคนกันนะร่างกายปวดท้องแต่บางทีใจไม่ไม่ได้ปวดเนี่ยใจก็เฉยเฉยบางทีใจดีใจแต่ใจร่างกายเจ็บแต่ใจกับดีใจโทกอตเตอรี่ดีใจถึงแม้จะปวดท้องก็ <c oughs> เรื่องของร่างกายยังไม่คนละคนกันรู้เป่าถ้าเป็นคนเดียวกันมันต้องปวดด้วยกันเจ็บด้วยกันใช่ไหมนี่คือยากวิธีสอนใจให้รู้ว่าร่างกายกัน ใจมันคนละคนกันอย่าไปเหมาว่าเป็นคนเดียวกันแล้วมันจะทำให้เราทุกข์ไปกับร่างกายเพราะร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนี่ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย <Yeah. S 1> ใจไม่มีวันแก่วันเจ็ บ, ว, จบวันตาย <Yeah. S 1> แต่ใจไปหลงไปคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยไปคิดว่าตัวเองแก่เจ็บตายไปกับร่างกายเท่านั้นเองด <Yeah. S 1> นั้นต้องใช้ปัญญาคิดแยกแยะดู เนี่ยร่างกายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งร่างกายอาจจะเจ็บแต่ใจอาจจะดีใจก็ได้ร่างกายเจ็บแต่ใจดีใจเพราะได้ถูกออสเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยหรือได้สิ่งที่เราอยากได้ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บนะแต่ใจก็ดีใจเนี่หมันคนละคนแล้วใช่ไหมหรือเวลาร่างกายสบายแต่ใจอาจจะเสียใจก็ได้เสียสิ่งที่รักไป แต่ร่างกายไม่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่เสียของที่รักไปขโมยมาขึ้นบ้านนี้ใจก็ไม่สบายแล้วะคนละคนกันไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันให้รู้อย่างนี้แล้วเราจะได้สบายใจให้รู้ว่าใจนี้ไม่มีวันตายใจไม่มีอายุไม่มีอายุไขใจนี้มีอายุยาวมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วร่างกายนี้เป็นร่างกายที่กี่ล้านแล้วก็ไม่รู้ล่างที่เราได้มา ไม่ต้องกลัวตายเราไม่มีวันตายไม่ต้องกลัวแก่เราไม่มีวันแก่ไม่ต้องกลัวเจ็บไอ้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่ใช่เราให้คิดอย่างนี้จะคิดอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิก่อนเพราะอะไรถ้าไม่มีสมาธิกิเลสมันจะไม่ให้เราคิดกิ <_ C 1> <ๆ>เลสมันจะกลัวตายมันจะไม่ให้เราคิดถึงความตายมันจะให้เราคิดแต่เราจะต้องอยู่เราต้องสวยต้องงามต้องอ ต้องหาวิธีทําให้เราอยู่ไปแข็งแรงไวออกกําลังกายหาอะไรหายาอะไรมากินกันวุ่นวายกันไปหมดนแล้วมันเรามันหนีได้หรือเปล่ากินยาขนาดไหนออกกําลังกายขนาดไหนเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีไปวุ่นวายกับมันเปล่าๆช่วปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายแล้วสบายกว่าอยู่ไปตามธรรมดามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นคนรับใช้เรา เลี้ยงดูมันทําไมเลี้ยงมันแบบเลี้ยงหมาตัวหนึ่งก็พอพระนี่กินข้าวแบบกินข้าวหมาด้วยข้าวใ น, ในบาทนี่เขาให้คุกเข้าไปเหมือนข้าวหมาเนี่ยถ้าเลี้ยงร่างกายให้เลี้ยงแบบพระแล้วเราจะสบายใจอยู่แบบพระเนี่ยพระมีมีตึกมีคอนโดอยู่อะเนี่ยพระบนเขาเนี่ยมันอยู่ในป่าเนี่ยมีหลังคาพ้อมหลบดดหลบฝนได้เนี่ยมีเหมือนศาลาแค่เนี้ย ปาก็ไม่มีมีที่นั่งสมาธิมีที่นอนแค่นั้นหลบแดดหลบฝนได้ก็พออยู่แบบนี้สบายไม่ต้องวุ่นวายจะอยู่บ้านอยู่คอนโดนี่ต้องหาเงินเหนื่อยไหมกว่าจะได้เงินมาซื้อคอนโดซื้อบ้านแล้วยังต้องมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรอีกเยอะแ ย, ย, ยะไปหมดแล้วเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไปเลี้ยงคนใช้ทําไมไม่ไเลี้ยงใจใจนี่แหละครับ ควรจะเลี้ยงเลี้ยงด้วยอะไรเลี้ยงด้วยสมาธิเลี้ยงด้วยปัญญาเพราะถ้ามีสมาธิมีปัญญาแล้วใจจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์กับอะไรพอหายหลงปัญญาจะสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่มีสมบัติอะไรสมบัติในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของโลกนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งสมบัติต่างๆที่เราไปมีไปหมด อระพุทธเจ้เลยไม่ให้พระมีสมบัติมีให้มีแข่งแดชิ้นนั่นเองสมบัติของพระคืออะไรรู้เปล่าอัถบริขารนี่เขาเรียกสมบัติ8ชิ้นมีบาดใบหนึ่งมีจีวรสามผืนมีเข็มขัดรัดเอวมีมีดโกนมีที่กองน้ํามีเข็มกับได้นี่นี่พระพุทธเจ้านี่เอาสมบัติแค่นี้ก็พอมีมากเดี๋ยวจะเสียใจเวลาจากไปมีน้อยๆเราจะไม่เสียใจ มีมากก็จะเสียใจมากมีน้อยก็เสียใจน้อยไม่มีก็ไม่ต้องเสียใจเลยนี่คือวิธีอยู่แบบมีความสุขอยู่ด้วยความจริงอยู่ด้วยความรู้รู้จริงเห็นจริงรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายไม่ได้เป็นของเราทรัพย์สมบัติต่างๆไม่เป็นของเราก็อย่าไปมีมันเลยไม่มีแล้วสบายไม่มีที่ดินก็ไม่ต้องห่วงที่ดินไม่มีบริษัทก็ไม่ต้องห่วงบริษัทใช่ไมในบริษัทห่วงไหม หวงจัเจงก็ไม่เจงใช่ไมอย่าไป ม, มีอะไรเลยสบายใจกว่ามีเท่าที่จำเป็นไอ้สิ่งที่มีก็ไม่ใจเรามันเป็นคนรับใช้เราแต่เรายังต้องใช้มันอยู่ก็เลี้ยงมันไปตามสภาพของคนรับใช้อย่าไปเลี้ยงแบบเป็นเจ้านายเราตอนนี้เรามักจะเลี้ยงร่างกายแบบเลี้ยงเจ้านายอันทั้งที่มันเป็นคนรับใช้เราล้วกลับไปเลี้ยงมันเหมือนเป็นเจ้านายเรา าหาอานดีที่สุดมาให้มันกินหาคอนโดที่สวยที่สุดให้มันอยู่มช่แล้วเราก็เนกนหน็ดกนเหนื่อยกว่าจะหาที่อยู่หาที่กินให้มันได้นี่เราเหนื่อยไหมต้องไปทมาหากินแล้วเดี๋ยวก็ต้องทิ้งหมดเดี๋ยวมันก็ตายจากเราไปให้คิดแบบนี้เรียกว่าปัญญาให้คิดว่าไม่ใช่ของเราคิดว่ามันไม่เที่ยงของชั่วคราวทุกอย่างที่เรามีนี่เป็นของชั่วคราว ถ้าเราอยากให้มันเป็นของเราเราจะทุกข์เพราะมันมันจะไม่เป็นของเรามันจะต้องจากเราไปถ้าเรารู้ว่ามันไม่ต้องจากเราไม่ได้เป็นของเราเราจะไม่ทุกข์ให้คิดบ่อยๆว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของชั่วคราวเราห้ามมันไม่ได้มันจะจากเราเมื่อไหร่มันจะไปเมื่อไหร่เราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่ลืมไม่หลงเราจะสบายใจเวลามันจะไปก็ปล่อยมันไปท่านั้นเ<ป><ข>อง ไม่เห็นยากเย็นตรงไหนเลยเวลาร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไปร่างกายเจ็บก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปจำก่ามันจะตายตายแล้วมันก็หายโลกทุกโลกเนี่ยเดี๋ยวก็หายไม่ต้องไปรักษามันก็หายเองเดี๋ยวเวลาไม่หายใจมันก็หายหมด <c oughs> <c oughs> นี่คือปัญญาต้องคิดตอนที่ออกจากสมาธิ จะคิดได้ต <mentor> ้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิความกลัวความหลงมันจะไม่ให้เราคิดเราก็เลยจะหลงไปเรื่อยๆพ่าะเราจะคิดว่าเราจะไม่ตายกันเราจะคิดว่าเราไม่แก่เราจะไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอมปคิดเป็นร่างกายมันก็จะแก่เจ็บตายแต่เราตัวเราไม่แก่เจ็บตายแต่เราไปคิดว่าร่างกายมันจะไม่แก่เจ็บตายแต่มันต้องแก่เจ็บตายถ้าเราไม่คิดเราก็จะลืม นั้นหคิดบ่อยๆคิดว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วต่อไปเวลามันแก่เจ็บตายเราจะได้ไม่ถึงเต้นตกใจเพราะเราเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเหมือนฝนตกนี่ถึงเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่เวลาฝนตกที่เป็นเรื่องธรรมดาเนี้ยเพราเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นร่างกายเราก็เหมือนกันเหมัอนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เหมือนฝนที่จะต้องตกมันเป็นธรรมดา แต่เราไม่คิดถึงมันเราก็เลยคิดว่าเป็นของแปลกไปออืถ้าคิดได้แล้วต่อไปจะไม่ทุกข์กับร่างกายจะไม่ทุกข์กับสมบัติข้าวของเงินทองเวุ้ยังไ ง, ไงมันก็ต้องจากเราไปไม่จากเป็นก็จากตายเมื่อก่อนเรามาเราก็ไม่มีอะไรมาเราก็อยู่ได้ไม่ใช่ตอนเมื่อก่อนเราไม่มีบริษัทเราก็อยู่ได้ดนะังนั้นตอนนี้มไม่มีต่อไปไม่มีบริษัทเราก็ต้องอยู่ได้ยแล้วไปกลัวอะไร ใช่มันถ้าคิดเป็นแล้วมันจะไม่กลัวอะไรอยู่ไม่ได้ก็ไปเท่นั้นเองยังไงก็ต้องไปอยู่ดีเอัมนถ้าเมื่อพร้อมที่จะไปแล้วก็ไม่มีปัญหามีอะไรก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้<ม>พอเวลาเรามาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเวลาเราไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเนี่ยเวลาอยู่ไม่มีอะไรก็ไม่น่าจะเดือดร้อนนั่นเองก็ดูพระเขาก็อยู่กันได้ใช่ไหมเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ทําไมเขาอยู่กันได้ เขาไม่มีบ้านเหมือนเราก็าไม่มีแฟนเหมือนเราก็าไม่มีลูกเหมือนเราเขาไม่มีสมบัติเหมือนเราทำไมพะก็อยู่กันได้เพราะเขาทำใจได้นั้นเองพวกเรายังทำใจไม่ได้กันเราต้องมานั่งสมาธิเราจะทำใจได้การนั่งสมาธิก็เพื่อหยุดใจทำใจนี้เองอพอทำใจได้เราก็สบายอยู่แบบไม่มีดีกว่ามีมีแล้วต้อง ร, าาระวัดระแวงหวาดกลัว กลัวมันจะหายกลัวมันจะหมดกลัวมันจะจากเราไปพอไม่มีแล้วก็สบายไม่มีอะไรมาต้องมาหวาดระแวงหวาดกลัวงั้นมาหัดรมสมาธิกันมาหัดคิดทางปัญญา ก, กันแล้วเราจะมีแต่ความสบายใจไปตลอดเอาละว่าคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริกบุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพบุเรนโตสังกปา จันโทปนะอาราโสยะธามณิโชติอารโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตตะวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจังวุฒาปจายโน จตารโหธมาวทานติอายุวโนสุขังภลังข้องใจครับพระอาจารย์พี่พระอาจารย์บอกว่าร่างกายกับจิตใจมันแยกกันเแล้วทำไมความเขื่อนไม่มแยกไปเลยครับ ม, มันมาเกาะ ก, กันไงมันมาติดกันมันไม่ได้แยกมันม ใจมันมาเกาะเหมือนกับกาวมันเป็นกาวตาช้างมาเกาะที่ติดที่ตาหูจมูกลิ้นไกาใจมันมามามาขอแค่ห้าห้าห้าส่วนของร่างกายขอตาหูจมูกลิ้นกายเพราะใจมันอยากจะดูรูปอยากจะฟังเสียงมันจึงต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ส่งวิญญาณมาห้าเส้นด้วยกันมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นไกายแล้วมันเป็นเหมือนกาวตาช้างมันเกาะนั่น มันจะแยกออกจากการเมื่อร่างกายตายหรือเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิเราจะเราจะดึงไ อ, ไอ้วิญญาณห้าเส้นนี้ออกมาจากร่างกายชั่วคราวแต่ไม่ออกอย่างถ้าวรนเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกับปิดถอดถอดปลัก๊กห้าเส้นออกใจ ก, ก็จะไม่รับรู้รูปเสียงเกลียนงดเวลานั่งสมาธิพอออกจากสมาธิมามันก็กลับมาติดกันใหม่มารับรู้รูปเสียงกนลนงดใหม่ แล้วใจก็เป็นคนสั่งให้ร่างกายเนี่ยพาไปดูอยากจะดูอะไรก็สั่งให้มันพาไปอยากจะฟังอะไรก็สั่งมันพาไปร่างกายก็เป็นคนรับใช้ใจพูดง่ายๆใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังมีความอยากมีร่างกายอันใหม่ก็ไปเกิดใหม่ต่อไปรอพ่อแม่คนใหม่เขาผสมกันพอเชื้อของพ่อของแม่มารวมกันใจนี้ก็มาเกาะติดทันที แล้วก็ใจปั้งขันขึ้นมาเจริญเติบโตกขึ้นมาพอออกมากใจก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาเพราะไม่มีใครสอนเนี<ม>่ยแต่โชคดีสมัยนี้มีพระพุทธเจ้ามาสอนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นคนรับใช้เรา<ม><ม>เราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพราะเราไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับมันมมถ้าเรามาสอนใจเราต่อไปเราจะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย พอเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้คือการปฏิบัติเพื่อแก้ความหลงดับความทุกข์ความหลงทำให้เราทุกข์พอเราไปคิดว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอมันไม่อยู่เราก็ทุกข์ใชนะ่พอเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันมันจะต้องจากเราไปเราก็เตรียมตัวไว้เท่า น, นี้ เราพอมันจากเราไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันนี่คือวิธีปฏิบัติที่เรามาชอบลืมไม่ชอบคิดกันพอมีอะไรก็คิดว่าเป็นของเราจะต้องอยู่กับเราไปจากเราไม่ได้แม้ดังงานตำแหน่งนี้ยังเป็นของเราเลยใช่ไหมะจะถูกเปลี่ยนตำแหน่งหรือถูกปลดอันนี้ยังเสียใจเลยยังยังทุกข์กันเลยเพราะไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นตำแหน่งชั่วคราวให้คิดอย่างนี้เป็น ง, งานชั่วคราว มันดีขึ้นดีอาจจะต้องย้ายงานเปลี่ยนงานก็ได้ถ้าเราคิดไว้ก่อ น, นเวลาเปลี่ยนมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่คิดไว้ก่อนพอไปนี่มันจะทุกข์มากทําใจไม่ได้ท่านั้นเองความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราทําใจไม่ได้เพราะเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนไม่เตรียมว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่มันเป็นของชั่วคราวมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปได้เสมอทุกเวลานาทีเนี่ย ดังนั้นถ้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเปลี่ยนพอออกคนใหม่ก็เปลี่ยนสลับคนงานใหม่ก็เราก็เปลี่ยนกันไปตามนันก็ไม่ทุกข์กันเท่านั้นเองศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรสอนให้เรารู้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้ปรับตัวเราให้เข้ากับเหตุการณ์ให้ได้เท่านั้นเองแล้วเราก็จะไม่ทุกข์แต่เราไปควบคุมไปไปปรับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ ปรับได้บ้างบางบางทีก็ปรับได้บางทีก็ปรับไม่ได้เนั้นสู้เตรียมตัวปรับใจดีกว่าปรับใจไม่ต้องไปปรับกับเหตุการณ์ให้เหตุการณ์มันปรับไปก็มันไปแล้วเราก็ปรับใจให้เข้ากับให้รับกับเหตุการณ์ให้ได้เราก็จะไม่ทุกข์เหนั้ราเรื่องเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็มีการโยกย้ายกันมีเปลี่ยนแปลงผัวหน้ากันก็เปลี่ยนกันไปกะเตรียมตัว โตย่าแล้วก็เตรียมเปลี่ยนเมื่อกันแ่เราเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างอย่างที่เราชอบเท่านั้นเองอย่างที่เราไม่ชอบไม่ยอมเปลี่ยนใช่ไหมถ้าให้เปลี่ยนขึ้นเนี่ยดีใจชอบเอนั mm ้น hmm. พอให้เปลี่ยนลงนี่เนี้เสียใจเดี <laughs> ย๋ยวเราต้องคิดว่ามันมีขึ้นก็ต้องมีลงอยาวแต่ขึ้นอย่างเดียวต้องมันมันมีขึ้นมีลงพระเจ้าบอกอันนี้จางไม่เที่ยงสิ่งได้มีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาให้คิดว่าอย่างนี้ แ้วเวลามันดับเราจะได้ไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเท่า น, นั้นเองนี่ศาสนาพูดไม่ได้มาสอนให้พวกเรามาเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้ของในโลกนี้มันเป็นของมันมันตายตัวอยู่แล้วทุกอย่างมันตายตัวทุกอย่างมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับไป <gh' S 2> สิ่งที่เรามาเปลี่ยนก็คือใจเราใจเราที่ไม่รู้ให้มารู้ว่าเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้อยู่ในโลกที่ถาวรเราไม่ได้อยู่ในโลกที่เป็นของเรารเราเพียงแต่มา มาเทีย so ่ยวโลกนี้ชั่วคราวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตายไปแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วใคิดอย่างนี้แล้วเราจะอยู่ยังมีความสุขผมขอเล่นถามเล่นหึงครับอ่าที่เราคิดเงนี้คือคิดจำจำแล้วจะเข้าใจเองหรือว่าต้องมีเหตุอื่นด้วยก็ต้องทําสมาธิด้วยไงเวลานั่งสมาธิก็เป็นเวลาเป็นการปรับใจให้ให้อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้เวลานั่งสมาธิเราก็ถอนใจเราออกจากร่างกายไปเลย ไม่ต้องใช้ร่างกายความจริงใจนี่มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายแต่เราไม่รู้เราไปหลงคิดว่าเราต้องมีร่างกายแล้วมีตำแหน่งต่างๆมีงานมีงานอะไรเราถึงจะมีความสุขได้เราก็เลยไปทุกข์เพราะมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกมีวนะิธีหนึ่งที่เราจะอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายแล้วก็มีความสุขได้ก็นัง่งสมาธิเราต้องมาฝึกนั่นงสมาธิพอเรานั่งสมาธิเราพัก การใช้ร <an> ่างกายชั <se al> <S <S <an> ่ว <se> ข <al> <an> ่าวแล้วเราก็มีความสุขจากการนั่งสมาธิจากการจทำใจให้สงบนิ่งพอใจเราสงบนิ่งมีความสุขเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ใช้เงินทองไม่ต้องใช้งานไม่ต้องใช้ตำแหน่งอะไรเพราะฉนั้นตำแหน่งที่เรามีเราก็พร้อมที่จะสละได้เงินทองที่เรามีเราก็พร้อมที่จะสละได้ร่างกายที่มีเราก็พร้อมที่จะสละได้ แต่ถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้เราก็จะไม่พร้อมเพราะเราต้องต้องมีอะไรให้ความสุขกับเราเราต้องมีร่างกายมีตําแหน่งมีเงินมีงานมีอะไรต่างๆถึงแม้เราจะคิดอยู่เรื่อยๆมันก็ยังทําใจไม่ได้แต่ถ้าเรามานั่งสมาธิได้เราจะทําใจได้เพราะเรารู้ว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายเราไม่เดือดร้อนไม่มีงานทําไม่เดือดร้อนไม่มีเงินใช้ไม่เดือดร้อนเห็นไหมเมื่อก่อนเราก็เคยใช้เงิน ใช้งานเป็นเครื่องมือให้เราความสุขพอเรามานั่งสมาธิได้ตอนนี้เราก็ไม่ต้องทํางานเราก็ไม่ต้องใช้เงินเวลาเราจะมีความสุขแล้วก็นั่งหลับตาแค่นี้ก็สุขแล้วเดีย๋ยวเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่วิธีที่เราก็หาความสุขตอนนี้เป็นวิธีที่ไม่แน่นอนและจะต้องหมดไปเวลามันหมดมันก็จะทําให้เราทุกข์กันเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาหาหาความสุขแบบไม่ต้องมีมี มีเงินมีทองมีมีร่างกายกันเราถึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันดังนั้นอพอนั่งสมาธิได้แล้วเราก็มาสอนใจว่าต่อไปนี้เราอย่าไปอย่าไปหาความสุขแบบทางร่างกายเลยมีงานก็ลาออกไปเลยไปบวชดีกว่า อ่าจริงๆคนที่เขาไปบวชเพราะเขาเขารู้ความจริงนี่ไงเพราะว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องทํางานเรื่องอะไรต้องไปทุกกับการทํางานความสุขนี่ได้ได้จากการทํางานคือเงินเดือนมันนิดเดียว น, นั่นเองแต่ต้องทุกข์กันไเดือนหนึ่งทั้งเดือนเนะี่ยจะดีใจแค่วันเงินเดือนออกวันเดียวเ <laughs> นี่อกนั้นก็ทุกข์ไปอีกสามสิบวันซ <laughs> ู่มาสุขทุกวันดูอ่ามาบวชแล้วมันจะสุขทุกวันดูอ่นานั่งสมาธิได้ทุกวันจิตสงบ มีความสุขได้ทุกวันงั้นลองไปหัดทาดูการหัดทานี่ก็เหมือนไปชิมดูพอจิตสงบจริงๆเราจะติดใจเราจะคิดหาคิดลาออกจากงานนะต้องต้องทำใจให้สงบแพ้ได้เราถึงจะสามารถทำใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้ได้เพราะเราจะเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วถ้าเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิเราไม่ต้องพึ่งอะไรแล้ว เราเพิ่มตัวเราเองได้แล้วอัตาเัตานนาโทแล้วเนี่ยไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีลูกมีหลานอยู่คนเดียวสบายมีรักทุกไหมทุกกับสิ่งที่เรามีทั้งนั้นห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้มันมันสุขที่ไหนกันการที่มีมีข้าวของเงินทองมีแต่ความห่วงมีแต่ความวิตกกังวล งั้อย่าไปมีแบบนั้นดีกว่าความสุขแบบนั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เหมือนกับน้ําตาลเคลือบยาขงนี่สุขนิดเดียวผิวบางๆแล้วก็ต้องมามิตกกังวลมาทุกมาห่วงยายคนนั้นคนนี้แล้วก็มาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียเข้าไปซูกมาเอาความสงบดีกว่าความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้เป็นของเราไปตลอดพอเรานั่งได้แล้วเราก็จะนั่งได้ไปเรื่อยๆ ไม่มีใครสามารถที่จะมาขโมยของอันนี้ไปได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรานั้นฝึกทานั้นไม่ยากควบคุมใจให้คิดเองให้พุโทโธพุโทโธคำเดียวนี่แหละลองพุโทโธพุโทโธไปดูสิแล้วใจก็จะหยุดคิดหยุดคิดแล้วก็จะนิ่งแล้วก็จะมีความสุขเ้าใจยัง แต่พอมีสมาธิแล้วมันยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องคอยสอนใจว่าถ้ามันยังอยากไปหาความสุขทางร่างกายอยู่ก็อย่าไปเพราะมันทุกข์เพราะมันจะต้องหมดคือสมาธิไม่สามารถทําลายความอยากได้ต้องใช้ปัญญาคือเหตุผลมาบอกว่าทําไมเราไม่ควรไปทําตามความอยากเพราะความอยากมันต้องใช้ร่างกายต้องใช้เงินทองต้องใช้อะไรต่างๆพอขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็ทําไม่ได้แล้ว ไห้คิดอย่างนี้เรียกว่าปัญญาแล้วมันจะได้ไม่อยากมันก็จะกลับมานั่งสมาธิมาหาความสุขแบบแบบแบบนั่งสมาธิดีกว่านี่คือปัญญาหน้าที่ปัญญาคือคอยสอนาย ใ, ให้ไม่ให้หลงไม่ให้ไปหาความสุขปลอมให้มาหาความสุขให้กลับมาหาความสุขจริงคือการการมานั่งสมาธิทาใจให้สงบ ต่อไปมันก็จะไม่หลงมันก็จะไม่ไปหาความสุขจากร่างกายไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวทำเผาทำผมไม่ไปหาความสุขจากการไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรทั้งนั้นมานั่งสมาธิดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่ามีความสุขมากกว่าพอเรานั่งได้แล้วเราก็จะนั่งได้ไปตลอดเหมือนเหมือนขี่จักรยานนะพอขี่ไปแล้วก็ขี่ไปได้ตลอดนะถ้ายังขี่ไม่ได้ก็ยังขี่ไม่ได้อยูน่นั่ะ พยายามหัดขี่จักรยานนะพอขี่ไปแล้วสบายได้ไม่ต้องเดินเอ <laughs> <laughs> <laughs> พอทำสมาธิได้แล้วก็ไม่ต้องไปทํางานแนละ้วไปบวชได้แนละ้ว <laughs> อ้าวจริงๆ <laughs> บวชดีสบายตายไปข้าก็ฟรีบ้านก็ฟรีน้ําก็ฟรีอะไรก็ฟรีหมด <laughs> ไม่เอากันของดีก็ไม่เอาชาวเอาของไม่ดีเอชาวเอาของเสียเงินแค่เราเสียเงินแล้วมันจะดี <laughs> มีอะไรไหมไม่ไม่ไมีอ่<ม>านเนื้อธรรยกมือม า, มอาระหว่างสมาธิกับเจรติตาคำนี้ครับเจริญสติต้องมีสติก่อนเนื้อธรรมนั่งสมาธิได้ไงสติเป็นตัวที่จะมัดจิตให้นิ่งไงสติเป็นเชือกจิตเป็นลิงวิธียาให้จิตมันลิงนั่งเฉยเฉยต้องมีเชือกมัดมันถ้าไม่มีเชือกไปมัดตัวลิงมันก็ไม่นั่งเฉยเฉยเราต้องหาเชือกก่อน คือหาสติกันตอนตนี้เรามีสติน้อยมากสติเราเป็นเหมือนเชือกกล้วยพอลิงกระตุกปั๊บก็ขาดพอลิงอยากจะไปเที่ยวอยากจะกินอยากจะดมืมันก็ไปได้ทันทีงั้เราต้องมีสติที่จะสามารถหยุดความอยากได้ยังต้องฝึกสตินั่งสมาธิจนจิตสงบนั่นแนหะถึงจะถือว่าเรามีสติเต็มที่เต็มที่ที่จะหยุดความอยากห ย, หยุดลิงคือจิตได้หยุดลิงหยุดจิตไปทาตามความอยากต่างๆได้ พอเราหยุดได้แล้วพอมันอยากเราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปเลยความอยากที่เราอยากได้มันความสุขปลอม<น>เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปต่อไปเราทอรู้ว่ามันเป็นความทุกข์เราก็จะไม่ประหยากได้อะไรไม่อยากประยากมีอะไรเราก็จะอยู่เฉยๆพอไม่มีความอยากแล้วเราก็มันเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะดิงมันนิ่งแล้วดิงมันเชื่องแล้วมันไม่ไปทาอะไรแล้วไม่นอนนั่งสมาธิก็ได้ พอเรารู้เรากำจัดความอยากด้วยปัญญาได้หมดแล้วเราก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้เพราะจิตจะสงบโดยโดยธรรมชาติของมันเ<ม>ข้าใจไหมดงนั้นต้องฝึกสติให้มากๆก่อนเีหลวงตาสอนให้ฝึกสติเรื่อลลืมตาขึ้นมาเลยหลับตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าทําอะไรไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธไปอย่าไปคิดน ยันเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะไปทํางานนี้ก็ไม่ต้องคิดอาบน้ำก็พุโทโธไปนั่งหน้าแปลงฟันก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปจาไปคิดตอนที่ไปที่ทํางานแล้วค่อยคิดนแล้วเราจะควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิก็ทําให้ใจนิ่งได้ใจสงบได้ยังต้องฝึกสติให้มากๆที่นั่งแล้วไม่สงบเพราะมันไม่หยุดคิดใช่ไหมนั่งวายพุโทโธได้สองคำมันรู้ไปคิดเรื่องอะไรแนละ้ว ขออนุญาตขอเป็นข้อามสุดท้ายนะครับคืออที่ฟังพระดเทศนะครับว่าเวลาอยู่ในสมาธิเนี่ยไม่คิดให้ให้คิดงออกจากสมาธิแล้วทนี้สมาธิโษณาตมขาเนี่ยที่ที่บอกว่าให้ต้าให้คิดพิจารณาใช้สติปัญญาในการแก้ไขทุกเนี่ยอนนี้คิดตอนอในสมาธิหรือตอนกตอนจากสมาธิตอนออกจากสมาธินี้คิดได้สองรูปแบบคิดแบบทำการบ้าน กับคิดขึ้นแบบทําข้อสอบสมมุติออกม า, มาออกมาจากสมาธิปั๊บเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องพิจารณาหยุดความทุกข์ใจนั้นหาเหตุว่าเราทุกข์เพราะอะไรส่วนใหญ่ก็ทุกข์เพราะเราอยากอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพอไม่เป็นเราก็ทุกข์ใจเราก็พิจารณาแล้วเราไปควบคุม บ, คบังคับสิ่งนั้นให้เป็นได้หรือเปล่าถ้าควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันมันจะเป็น่างหนึ่งเป็นไป ออเรายอมรับเ ร, เราก็หยุดความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราก็หายทุกข์อันนี้ทําแบบทำข้อสอบพอเจอความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ไม่ใช่ไปแก้ด้วยการไปไปไปปรับคนนู้นคนนี้ให้เป็นไปตามความอยากของเราแต่หยุดความอยากของเราให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปไปปรับเขาได้อีกวิธีหนึ่งถ้ามันยังไม่มีความทุกข์ก็คิดเตรียมตัวไว้ก่อนคิดว่าเดี๋ยวเหตุการณ์จะเกิดขึ้น เดี๋ยวจะต้องมีเรื่องให้เราต้องทุกข์เราเราปรับใจเราได้ไหมหยุดความอยากที่อยากที่ทําให้เราทุกข์ได้หรือเปล่าเช่นเหตุการณ์ต่างๆมันเราควบคุมบังคับไม่ได้เสมอ อ, มอันนี้ก็คิดแบบล่วงหน้าไว้ก่อนทําการบ้านไว้ก่อนทางปัญญาก็มีทำทำแบบสองลักษณ์สองลักษณะถ้ายังไม่มีปัญหาก็คิดทำทำโจทย์ทําโจทย์ไว้ก่อนหาโจทย์มาทําไว้ก่อน พอเวลาเจอโจรมันจะได้ทำทำทำได้ทันทีดังนความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นโจทย์ของเรารู้เป่าเราทําใจได้หรือยังพร้อมที่จะรับความแก่ความเจ็บความตายได้หรือเปล่าเราห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากแก่ใช่ไหมไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วเราไปห้ามมันได้เปล่าความอยากแล้วเราทุกข์ไปเปล่าเปล่าทำไมใช่ไหมถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากแค่นั้นเอง ก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปเราก็ไม่ทุกข์อันนี้ก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าฝืนมันยอมมันอแล้วต่อไปเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการทําการบ้านถ้ายังไม่มีเหตุการณ์ถ้าออกมาปั๊บเจอคนเขาจะมาป้อนจะมายิงเราเนี่ยก็ต้องรีบทําใจตอนนั้นเลยตายได้หน้ากูยอมตายปลงเลยอพอปรงได้มันไม่กลัวมันไม่ทุกข์ ที่มันทุกข์เพราะมันไม่ยอมตายเท่านี้เข้าใจยังอยู่ในสมาธิใช้ทำปัญญาไม่ได้มันคนละงานกันคนละหน้าที่กันหน้าที่ของสมาธิคือให้หยุดใจทาใจให้ใจยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆให้เฉยๆไงอยู่ในสมาธิมันเฉยได้พอจากสมาธิถ้าเราเฉยเป็นในสมาธิออกมาเราก็หัดเฉยได้แต่ถ้าเราทาเฉยไม่เป็นพอจก พอไม่เคยนั่งสมาธิมันจะไม่รู้จักคําว่าเฉยเฉ ย, ยไม่ได้พอมีอะไรขึ้นมาจะต้องต้องโวยวายหรือต้องอะไรขึ้นมาทันทีอันนี้ก็พอจะพิมมาโดยตลอดใช่ส่วนใหญ่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาพูดก็ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดจนใหญ่บอกพอจิตสงบก็ให้พิจารณาทางปัญญาก็เลยคิดว่าพอสงบปั๊บก็ไปทางปัญญาไม่ได้คนละเรื่องกันยิ่งนั่งสมาธิเสียเวลาไปทำไมาพอมันพอมันหยุด คิดไปก็มันดึงมาคิดทันทีก็ไม่ต้องไปหยุดคิดให้เสียเวลาก็คิดมันเลยสิใช่ไหมทีห่หยุดคิดเพื่อได้ให้จิตมีความสุขมีความอิ่มมีพลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้แล้วพอใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากเป็นโทษเวลาเกิดความอยากก็จะหยุดมันได้นั่นเองท่านจะเรียนถามขณะ น, น, นั่ง มาธิแนะครับมันต้องถือว่าเหมือนเหมือนตัวครับเองมันก็สั่นแสบอย่ายไปสนใจมันเป็นอาการของจิตที่มันมันมันไม่เคยนั่งมันมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็ให้อยู่กับพุทโธไปดูลมหายใจไปเดี๋ยวอาการเกงอาการต่างๆมันก็จะค่อยๆคลายตัวไปพอเราไม่เคยทำอะไรมันจะเกงหมอจะฉีดยานี่บางทีเราเกงกันมา แล้วก็ปล่อยเรพุโทโธพุโทโธไปนะเดี๋ยวมันก็จะถ่ายจิตเป็นเวลามันต้องทาอะไรที่มันไม่เคยทํามันจะเกง่งพอจะให้นั่งสมาธินี่อึดอัดขึ้นมาเลยพอานั่งดูหนังนี่ไม่อึดอัดเลยเพราะมันเคยนั่งก่อนจะเริ่มนั่งถ้าเราตั้งลมหายใจพรอมก็บลมหายใจจเข้าแล้วพุทธแรงๆก็ไม่ต้องไมไม่ต้องแรงปล่อยลมอย่าไปบังคับมัน ให้ดูตามตามตามความเป็นจริงของมันนะอกจากจะเริ่มต้นเพื่อให้รู้ว่าลมเป็นอะไรอาจจะแรงได้เพียงตอบตอเริ่มตอนเริ่มต้นพอจับลมได้ก็อย่าไปบังคับมันให้มันหายใจตามธรรมชาติของมันนะถ้าไปบังคับมันจิตมันทำงานแล้วมันจะไม่นิ่งมันจะไม่สงบเราต้องการให้จิตหยุดทำงานหยุดควบคุมหยุดควบคุมร่างกายปล่อยร่างกายมันถึงจะสงบได้ ถ้าเราใช้ความคิดก่อนที่จะนั่งสมาธิในการพิจารณาร่างกายเราเป็นดินน้ำลมไปไม่ต้องคิด อ, อ่ะถ้าจะนั่งสมาธิให้หยุดคิดถ้าจะคิดก็ไม่นงมานั่งคิดได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาจะนั่งสมาธิเท่านั้นที่ไม่คิดอ่ะอ้า<อ>นี่ยเป็นคำถามนี่นูกไกรนะคะ เวลาทล่าสมาธิแบบเหมือเรารู้สึกเหมือนเราไม่มีไม่มีอะไรเราหายไปหมดแล้วจะเรียกว่านิ่งอีป่ะคะก็ก็แล้วแต่ว่ามันนิ่งมากนิ่งน้อยมันก็นิ่งพอสมควรแต่มันจะนิ่งมากต้องมีความสุขมากรู้สึกมีความสุขมากถ้ายังไม่มีความสุขนี่แสดงว่ายังนิ่งไม่มากแล้ีกกรณีนะคะบางครั้งไปบางสถานที่แบบแล้รู้สึกนิ่งๆอะก็มีเหมือน เว็บแว็บเป็นสีเหลืองๆมันเป็นกระจายกระจายอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปเดี๋ยวหลงได้มันเป็นของของบางทีขอ ง, ของของข้างนอกก็ได้ของข้างในก็ได้เหมือนผ่านมาผ่านมามันอาจจะเป็นความจำในอดีตเป็นโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ได้เมือ่อวานมาไม่ว่าจะเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจมัน คิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาไปมันเกิดแล้วก็ดับไ้เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไ อ, ไอ่าไม่อย่าไปมองมันเลยตตดมาดูลมแล้วกลับมาพุทโธต่อไปแล้วเดียวมันก็จะหายไปเองแล้วจิตจะได้สงบถ้าไปดูมันแล้วจิตจะไม่สงบแล้วเดียวมันจะเปลี่ยนไปเ ป, นนนเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาอีกมันก็เหมือนนั่งดูหนังไป กาที่นั่งสมาธิกลับไปนั่งดูนิมิต ด, ดูหนังแล้วจิตจะไม่สงบเราอาจจะหลงได้ว่าไปสวรรค์ไปนู่นมานี่นะ่ะนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้คำถามทางบ้านคำถามจากคุณชาีิค่ะเวลาที่ดิฉันฟุ้งซ่านไม่มีสติคิดมากแล้วทุก พอฟังเทศพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันสงบสุขคิดได้เหมือนมีโค้ชคอยเทนทุกเวลาตลอดตลอดเวลาที่อยู่คนเดียวถ้าปล่อยให้เงียบโดยไม่ได้ฟังเทศก็ชอบคิดให้ตัวเองทุกเป็นเหตุให้อยากฟังตลอดแบบนี้ถือว่าเสพติดไหมคะแล้วต้องแก้ไขแบบไหนคะก็ต้องใช้พุทธโถบ้างอย่าไปใช้การฟังเทสตลอดเวลาเพราะการฟังเทสถึงแม้จะมีประโยชน์แต่มันเป็นของนอกตัวเรา อด่ยเกิดวันไหนติดต่อฟังเทศไม่ได้แล้วเราจะไม่ไม่มีอะไรมาระ ง, งับความความทุกข์ของเราเน้น mm hmm. เราต้องหัดใช้พุโทโธใช้สติของเราบ้างหรือใช้ปัญญาของเราบ้างเอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาคิดบ่อยๆแล้วเวลาเราทุกข์เราจะได้ใช้ปัญญาดับความทุกข์ของเราได้แต่ถ้าตอนต้นเรายังทำไม่ได้ก็อาศัยอาศัยคนอื่นไปก่อนอาศัยฟังเทศไปก่อน ก, ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยยังดีกว่าไปดับทุกข์ด้วยวิธีไปชอปปิง้งไปกินเหล้าไปเที่ยวก็ดับทุกข์โดยการนั่งฟังเทศจะดีกว่าแต่ถ้าจะดีกว่านั้นก็หัดใช้การเครื่องมือของเราเองดีกว่าหัดใช้ธรรมปัญญาของเราเองใช้ธรรมะของเราเองด้วยการจดจําคําสอนของครูบาอาจารย์นี้เหมือนเอามาคิดอยู่เรื่อยๆว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราความอยากของเราจะหยุดได้ก็ต้องมีสตินะ พุโทโธพุโทโธไปต้องปล่อยวางต้องรู้ว่าทุกอย่างที่เราอยากมันเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นไม่ใช่ของเราเราก็กลุมบังคับมันไม่ได้หาดคิดแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะไไม่ต้องฟังเทศก็ได้แต่ถ้ายังคิดแบบนี้ไม่ได้ก็เวลาทุกข์ก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนจะว่าติดก็ไม่เป็นไรเพราะมันติดติดยายายารักษาโรค ถ้ายังเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องกินยาเต่นยาไม่เป็นไรถ้าเป็นยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่าไปติดยาเสพติดกันแล้วกันคาถามจากคุณชนะตนปฏิบัติแล้วมีความสุขกับอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิแต่ความสุขนี้ยังต้องนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆถ้าอยากได้อุเบกขาแบบถาวรที่เกิดจากปัญญาจะสุขได้กับทุกสถานการณ์ โดยไม่ต้องเข้าสมาธิโยมเข้าใจถูกไหมคะถูกแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดความอยากต้องใช้ปัญญาหยุดมันตัวความอยากเนี่ยที่ทําให้อุเบกขาหายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาใจจะกระเพื่อมใจจะกะังวลกวายกระสับกระสายใจจะงหงุดหงิดนาคาญใจขึ้นมาถ้าเราหยุดมันได้ปั๊บความกระสับกระสายกังวนกวายมันจะหายไปมันจะกลับมานิ่งปกติโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ คำถามจากคุณพัฒนันค่ะเป็นไปได้ไหมครับที่ไม่นั่งสมาธิเพียงแค่ฟังธรรมบ่อยๆแล้วใช้ปัญญาพิจารณาฆ่ากิเลสบางตัวได้เลยครับได้ก็ไม่ทุกตัวบางตัวอาจจะไม่มีกาลังพอเช่นความตายนี่อาจจะค ว, ความกลัวตายนี่อาจจะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าก็ลองดูสิลองไปอยู่ที่หน้ากลัวดูแล้วดูสิว่าจะหยุดความกลัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้สมาธิได้หรือเปล่า ถ้าใช้ได้ถ้าโปรงได้ยอมตายได้มันก็ไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้คาถามจากคุณโบค่ะการอยากได้อยากมีอยากเป็นคือกิเลสเรารู้แต่ก็ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่พยายามแล้วแต่สิ่งที่ทำได้คือเราพยายามทำบุญกับวัดและบริจาคทานและช่วยเหลือคนด้อยโอกาสจะถือว่าเป็นการช่วยลดกิเลสชดเชยได้หรือไม่คะ มันเป็นเหมือ น, ก, ก, ก, น, น ก, ก, กับยากับโรคันคนละยาค่ะโรคกับยาไม่ตรงกันไงปวดท้องเราไปกินยากแก้ปวดหัวมันก็ปวดท้องก็ไม่หายความอยากมีอยากเป็นมันไม่ได้หายจากการไปทำบุญทำทานนอกจากว่าอยากจะไปเที่ยวแล้วเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทำทานนี้มันก็รักษาได้มันก็ทำให้เราไปเที่ยวไม่ได้เพราะไม่มีเงินเที่ยวเาเอาเงินไปทาบุญแทนต่อไปก็ไม่ได้เที่ยว ทุกครั้งอยากจะเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญทําทานอย่างนี้ต่อไปความอยากเที่ยวก็มันก็หมดไปอยากไปช้อปปิง้งอยากซื้อของไม่จําเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาเงินไปทําบุญอย่างนี้ต่อไปมันก็มันจะมันก็จะไม่อยากซื้อของฟุ่มเฟือยไม่อยากไปช้อปปิง้งเันมันก็ต้องเล่าแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วตัวที่แก้ปัญหามันมันตรงกันหรือเปล่าเพราะตัวปัญหาตัวความทุกข์มันก็มีหลายรูปแบบ ท, ทุกที่เกิดจากการมตันหาก็อย่างทุกที่เกิดจากภาวะตันหาก็อีกอย่างทุกที่เกิดจากวิภาวะตัหนหาก็อีกอย่างมันจะใช้ตัวเดียวกันมาแก้ไ ม, ไม่ได้มันต้องใช้ตัวที่เหมาะต่อกันเช่นอยากอยากเที่ยวอยากกามรตันหาก็อยากเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญได้อยู่ถ้าอยากเป็นใหญ่ <c oughs> เป็นโตนี่ก็มันต้องใช้อย่างอื่นนะต้องใช้ต้องใช้อ ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนมาแก้ทำตัวให้เป็นเหมือนเหมือนคนใช้เป็นเป็นปัตถะพีทำตัวให้ต่ําให้ต้อยมันก็จะมาแก้ความเป็นใหญ่ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตได้ในความไม่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ต้องใช้ความจริงว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องยอมรับความจริงแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ มันก็จะได้ไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไปก็ไม่อยากไปมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่ถ้าไม่อยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากมันก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่มันมันมีสามชนิดด้วยกันใหญ่ๆความทุกข์ที่เกิดจากการมตัหาความทุกข์ที่เกิดจากภาวะทันหาความทุกข์ที่เกิดจากวิภาวะทันหาเราก็ต้องแก้มันตามตาม ตามตามตามเรื่องของมันจะเอาตัวเดียวกันมาแก้ไม่ได้หมดเจอามาทําบุญทําทานช่วยเหลือวัดแล้วจะมาแก้ปัญหาทั้งสามตัวนี้ไม่ได้ทําบุญทําทานจะแก้ทางกรมตัณหาได้จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญที่วัดแทนนี้มันก็จะเลิกเที่ยวได้แต่มันยังเลิกเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้ทำบุญเท่าไหร่มันก็มันคนยังไปทําบุญในวัดแล้วประทับตัวเป็นใหญ่เป็นโตในวัดอะไรก็มีใช่ไหม ดนั้นต้องทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่าตนเองเป็นปัตตภีเป็นคนรับใช้อย่าไปคิดว่าเป็นเจ้านายมันถึงจะแก้ได้ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตคําถามจากคุณศรีสิริค่ะจิตที่เป็นอุเบกขาวางเฉยแล้วมีความเมตตาได้อย่างไรค ะ, ะเพราะว่ามันไม่มีความอยากได้อะไรมันก็ให้ได้เสมอใคอยากจะได้อะไรก็ให้ เห็นใครก็เดือดร้อนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเพราะว่าคนมีอุเบกขามันไม่มันไม่ขิวเ ง, งิงนทองมีเงินทองรู้จะเก็บไว้ทำมามันก็ไปแจกก็ไปจ่ายมันก็มีความเมตตาโดยโดยอัตโนมัติขึงนมาคำถามจากคุณสอนชัยผมเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิได้ไม่นานยังเป็นระดับเริ่มต้นตอนนั่งสมาธิอยู่ก็กํากับคําบริกรรมว่าพุทโธครับหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วใช้ชีวิตประจําวัน ในปัญญาต้องใช้ปัญญาการอยู่กับโลกแบบปล่อยวางถ้าผมใช้บริกรรมด้วยคำว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเว<ม>ลาเจอสิ่งที่ทำให้ใจของผมไปหลงไปอยากได้หรือว่ามีวิธีอย่างอื่นที่ผมควรจะทำครับก็ต้องมองเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่เที่ยงอย่าไปยุ่งถ้าไปอยากให้เ็าเที่ยงเราจะทุกข์อยากให้เป็นของเราไปตลอดจะทุกข์ ถ้าเขาจะจากเราไปก็ให้เขาไปถ้าเขาจะเปลี่ยนก็ปล่อยก็เปลี่ยนไปอย่าไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอย่าไปอยากให้เขาไม่จากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณพัชรินค่ะปรารถนากลับมาเกิดเพื่อช่วยคนอื่นถือว่าเป็นความอยากหรือเปล่าคะก็เป็นความอยากเป็นความโง่ด้วย กลัมาช่วยเขากว่าจะมาช่วยเขาได้นี่ต้องกว่าจะต้องโตขึ้นมานี่ต้องอต้องกินต้องต้องดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกว่าจะโตขึ้นมาได้แล้วมันรู้จะช่วยเขาได้จริงๆหรือเปล่ากลับมาเกิดแล้วเกิดพิกลพิการไปทําไงการที่จะมาช่วยเขากลับเขาต้องเป็นภาราคนหนึ่งเขามาช่วยเราอีกเพราะมีใครจะไปกําหนดได้ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่พิการใช่ไหม เราเกิดมาแล้วเราจะแข็งแรงจะร่ำจะรวยจะช่วยคนอื่นได้ตลอดมันเป็นเป็นมันเป็นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้เเกิดมาก็เป็นภาระของพ่อแม่แล้วกลับมาเกิดช่วยใครช่วยมาเป็นภาระให้กับพ่ อ, ก, พอกับแม่มากกว่าพ่อแม่ก่าจะเลี้ยงเราโตนี่ต้องหมดไปตั้กี่ล้านกี่ปี20ปี30สปีแล้วเราไปช่วยใครคิดคิดแบบกิเลสคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผล คำถามจากคุณวิลาวันค่ะจิตที่เป็นตัวเรากับจิตหรือตัววิญญาณในขันห้านั้นเป็นตัวเดียวกันหรือไม่คะตัวเดียวกันตันเดียวกันจิตผู้รู้ผู้คิดผู้รับรู้ต่างๆผ่านทางวิญญาณทั้งห้ารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสจากวิญญาณทั้งห้าหรือจากขปวิญญาณโสตะวิญญาณคำถามจากคุณแมวพระอาจารย์คะ แล้วคนที่เกิดมาแล้วปัญญาอ่อนไม่รู้เรื่องเลยพ่อแม่ต้องเลี้ยงแบบหยอดอาหารให้เป็นเพราะไม่ไม่มีจิตวิญญาณมาเชื่อมต่อหรือเปล่าคะมีเพียงแต่ว่าเป็นวิญญาณที่ต่ำที่มีสติน้อยมีสติปัญญาน้อยที่ไม่สามารถที่จะใช้จิตควบคุมร่างกายให้ทำอะไรต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจจะเป็นความบกพร่องของทางร่างกายก็ได้มันเป็นได้ทั้งสองส่วนบางทีร่างกายมันบกพร่อง มันก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้คนพ่กลพิการนี้มันมันอาจจะไม่ได้เป็นทางจิตมันอาจจะเป็นทางร่างกายบางทีร่างกายสมบูรณ์แต่จิตใจบกพร่องมันก็ไม่สามารถใช้ร่างสั่งการให้ร่างกายทาอะไรได้เพราะสติปัญญามันต่ำมากน้อยมากคาถามจากคุณรัตนาศักดิ์ข้อที่หนึ่ง จำเป็นเสมอไปทุกครั้งไหมครับว่าเวลานั่งภาวนาต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อ, อ่าไม่จําเป็นละ่ะหันหน้าไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมที่มันเหมาะสมที่มันเหมาะสมก็แล้วกันไม่รู้จะพูบคําไหนข้อที่สองทางเดินจงกรมต้องไปทางทิศตะวันออกตะวันตกเท่านั้นเพราะ ครูบราอาจารย์บางท่านบอกว่าไม่ให้เดินขวางตะวันจริงหรือเปล่าครับก็เป็นคําสอนของหลวงปู่มั่นท่านสอนอยังไงอย่างงั้นท่านว่า้เดินตามตะวันอย่าไปเดินอย่าไปเดินขัดกับตะวันหมดแล้วเลยเอาไปคำถามกันแล้วกันนะคําถามจากคุณสุกัญญาค่ะคุณแม่เป็นคนหูไม่ดีไม่ชอบฟังธรรมะและอ่านหนังสือธรรมะ มีอาการห่วงเข้าของและทรัพย์สินมากหนูจะพาท่านไปทำบุญเสมอที่มีโอกาสมีทางช่วยให้แม่เข้าใจทำและเลิกห่วงเข้าของได้ไหมคะก็ให้ทาบุญเยอะๆยิ่งทำเยอะความหัวมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเอาแล้วนะคิดว่าหมดแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนนะหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน